จเจริญพท่านสาธุชนพุทธบรสัทผู้ร่งไฟธรรมทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อ ม, มาสนทนาธรรมถามตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติทานศีลภาวนาท่านที่สนใจมีคำถามอยากจะถามก็เชิญเข้ามาถามได้แต่ต้องรอคิวคิวแรกนี้จะให้พวกเด็กๆ ก, ก่อน เด็กจะได้ไปนอนหัวค่ำจะได้ไม่ต้นอง น, นอนนานจนเกินไปเป็นการส่งเสริมเยาวชนให้มีความสนใจในธรรมผู้ใหญ่โตแล้วก็นอนได้ถใครไม่ีเด็กก็ถือว่ามีมีมีบัตรพิเศษในพูดก่อนใครไม่มีเด็กก็ต้องรอคิวไป วันนี้ก็เอาเด็กแรกที่สุดก่อนตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่ตอนนี้ก็สี่ทุ่มเขาไปแล้วว่าไงนักคุณได้ยินไหมนักคุณชานิสากระพระอาจารย์ว่าอยังไงวันนี้นักคุณวันนี้นักคุณไม่สบายค่ะพระอาจารย์เขา ปีนโต๊ะที่โรงเรียนแล้วตกมาบวมเลยค่ ะ, ะสมน้องหน้าส่วนะ <c oughs> อะไรไมู้มือบอลที่ไหนก็จับเปิดทุกวันทวันที่ปกติก็เห็นก๊อก <c oughs> ก็เปิดก๊อกน้ำเทมาพอแล้วหนูปีนขึ้นไปทำํำจะปีนขึ้นไปดูซิว่าข้างบนมีหนังสืออะไรบ้างบวมเลยคนะ่ะน <c oughs> ี่ถ้าเป็นเจ็บมันก็จะไม่จําใช่ไหม จบ้านก็ดีนะดีขอบพระคุณค่ะพระอาจารย์มไระพอดีเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นแนะนำน้องที่บริษัทพอดีเขามีความไม่สบายใจเรื่องการทำงานเรื่องการควบคุมคนต่างๆเขาบอกว่าเขาเข้าได้ได้เข้ามาฟังพระอาจารย์แล้วทำให้เขาเรียกว่าอะไรครัรู้สึกดีขึ้นแล้วก็ สบายใจขึ้นมากเลยค่ะวันนี้คิดว่าน่าจะเข้ามาเหมือนกันอยู่ในเฟซบุ๊กลาบขอบคุณพระอาจารย์เอค่ะที่เชื้อชินจากพระจริงปัญหาของเราเกิดจากตัวเราเองมาเกิดปัญหาของพวกเราก็มาเกิดพอมาเกิดก็มาเจอปัญห า, าแล้วก็ไปโทษคนนั้นโทษคนษนีนน้ถ้าเราไม่มาเกิดตัวอย่างประจบไม่มีปัญหาค่ะ มัญหาเมื่อเกิดจากความอยากของเราองใช่ไหมใช่ค่ะถ้าอยากเป็นไม่อยากอะไระเราก็จ ะ, ะน้องก็จะไปโทษคนหนึ่งเขาพราเราไม่ได้เป็นกระทษคนนั่นคนนี้อืมค่ะคิดว่าได้ฟังค่ะจะแล้วหลายๆอย่างมันมันดูง่ายขึ้นมากเลยค่ะในชีวิตคือไม่ต้อง <laughs> อยู่ตรงนี้ก็ดี งานไม่ต้องเยอะก็ได้เอาที่เรามีเวลาได้ได้ไดเขาเรียกว่าอะไรคะได้ได้พักพักใจแล้วก็ได้ปฏิบัติธรรมบ้างแล้วก็ทํางานไปด้วยบ้างเพื่อเลี้ยงชีพก็เพียงพอแล้วค่ะกานะสับความสบายใจเนี่ยเป็นเสี่งที่สําคัญที่สุดนถ้าเรารู้จักว<ฆ>ิธีสบับความสบายใจเรื่องนั้วไม่ต้องดินน้นรนมากถ้าท่ามรู้จักวิธีพิสูจน์เจ้าเราก็จะดินน้นรนมาก มันจริงมากเลยค่ะเพราะว่าลองลองลองดูอะค่ะเมื่อสักอาทิตย์สองอาทิตย์ก่อนเนี้ยมันไม่มีสติเลยพอไม่มีสติเราก็จะไปคิดว่าอันนู้นก็ต้องได้อันนี้ก็ต้องได้ อ, นน อ, ไดอันนี้ก็อยากทำอันนู้นก็อยากทำมันวุ่นวายไปหมดเลยพอเริ่มมาฝึกสติอย่างที่เมื่อคิดก่อนตอนเข้าพรรษา ได้รับคําพระอาจารย์ว่าจะปฏิบัติทุกคืนนั่งทุกคืนมันค่อนข้างเย็นขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะทุกวันพุธต้องเข้ามาฟังอ่าดีจะได้จรรมาเป็นเหมือนน้ำหล่อเย็นจิตใจเหมือนต้นไม้ที่ได้น้ําประชุ่มชื้นจะเรต่อเติบโตการฟังธรรมนี้เป็นภารกิจที่สําคัญที่พระเจ้าทรงเน้นให้เราพวทเราฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ การฟังทำตามการตามเวลาเป็นมงคลอย่างยิ่งนะกีเลสมันมันมันมันรุนแรงมากจริงๆเลยนะคะคอ น, นิดเดียวมันก็ตักไปไป ไ, ไปแล้ว ค, ค่ะนแรงแล้วก็ร้อนด้วยเผ อ, อไม่ได้ค่ะกราบขอบพระคุณพระอา จ, จารย์ค่ ะ, ะสาธุที่จแมรักตกาจที่ศรีราชา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 ถือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นสื่อไปเราทั้งหลายคนพ <คน S 2> ิจะะารณาอย่างนี้ทุกวนทุกวนเธอน่ากายเรามีอะไรบ้างมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อกระดูกม้ามหัวใจตับตับหมือไตปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่หอากาศในสวร ง, งส์ศึกษ น้ำนดีน้ำทะเดน้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหนือน้ำมันคนน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลาน้ำมูกน้ำแข็งขนน้ำมูดน้ำมูดน้ำแข็งข้นน้ำผูกน้ำลายน้ำเดือดน้ำตาน้ำข้นน้ำเหงือน้ำเลือดน้ำเผลืองทะเลน้ำดีแค่นั้นสองถิ่นศักดิ์อาหารเก่าอาหารใหม่ใส้น้อยใส้ใหญ่ปอดไต้ผังผืนตับ หัวใจม้าเยื่อในกระดูกระดูกเอ็นเนื้อหนังฟันเล็บคนน้ำเงินจดจําไว้แล้วพยยังนึกภาพนะเวลาเห็นเห็นใครก็นึกถึงสิ่งที่อยู่ภายใต้ถึงหนังนะครับครับเห็นหน้าใครก็นึกถึงกะโหลกเขาบ้างนะกะโหลกศีษะครับนจะได้ไม่หลงไปลักของหลงลักกะโหลกเขาเลยเห็นกะโหลกเขาเป็นยังไงกลัวไหมหน้ากลัวไหม อะไรเหนกระโหลกนี้เขาถ้าเกิดเป็นเป็นก็น่าโกลัวถ้าเกิดเป็นแต่พอมีหนังมาหุ้มหน่อยก็เลยเป็นน่ารักไปเลยนะครับแปลงนะครับโอเคมีอะไรไหมไม่มีอะไรไไครับพยายามนั่งสมาธิทุกคืนหรือเปล่าก็นั่งอยู่ครับไม่ทุกคืนเหรอทุกคืนครับพยายามทําทุกคืนครับ ได้กี่นาทีห้านาทีครับห้านาทีทำไมมันน้อยลงเหรเมือ่อก่อนสามสิบนาทีเราถอยการบ้านเยอะอะค่ะแล้ว่อนั่งนนก็แบงบง่วงสลับกันนะคะอม่ได้นะเราเห็นว่ยนีก่ก็การบ้านที่สําคนะัญในการนั่งสมาธิเรียนเก่งไม่เรียนเก่งไม่เก่งก็อยู่ที่สมาธินี้รู้ไหมถ้ามีสมาธิก็จะเรียนเก่งจะจำอะไรได้ดีครูสอนอะไรก็จะจําได้ ใจไม่ลอยครับครับพยายามทําไม่ได้นะอย่าอยาให้มันอย่าให้มันน้อยกว่าที่เราเคยทําได้มันครับเอาหาเวลามาทําเพิ่มมากขึ้นตัดเวลาเล่นเวลาอะไรให้มันน้อยลงไปอัไหนที่ไม่มีประโยชน์อย่าไปอย่าไปทํามันไม่เกิดประโยชน์อะไรครับครับนะครับครับคุณแม่มีอะไรจะถามแม่แล้วหนูก็ปฏิบัติ ทุกวันค่ะพระอาจารย์เอ่ออย่างเวลาเราพิจารณาอันนี้จังทุกขังอนัตตาค่ะพระอาจารย์เราต้องเห็นมันสามตัวพร้อมกันทีเดียวดับพรึกหรือว่าเห็นทีละอย่างนะคะก็แล้วแต่เราเห็นทีสามตัวได้ก็ดีแต่<ม> เ, เห็นสามตัวไม่ได้เรเต้อเอาตัวหนึ่งก่อนเนี่ยคตัวที่เราเห็นชัดก่อนอันนิจังมันชัดเนี่ยอนัตตานี่มันจะดูยากทุกขังจะดูยากอันตัง ว, วีกะมันทุกอย่างไง กนดูตอนตอนที่จ่า ก, กันเป็นทุกข์ไหมร่างกายเวลาตายกันจ่ากันไปในน้องผมน้องให้เลือดหัวเลาะกมันต้องวิเคราะห์แต่อันนี้จังนี่มันเห็นชัดตั้งแต่เราเกิดมาเราก็เห็นอนนี้จังการเปลี่ยนแปลงอานาตานี่อาจจะเห็นยากหน่อยอานาตาก็คือร่างกายนี้ไม่มีเรา เราไม่ได้อยู่ในร่างกายเราเป็นใจผู้รู้คิดเป็นอินวิสิเบลแมนแต่มาเชื่อมต่อกับร่างกายเพื่อใช้ร่างกายอะทำอะไรให้กับเราเอาลูกเสียงกินรสมาให้เราเสพแต่เราไม่ไเป็นร่างกายร่างกายตายไปเราก็ยังอยู่ต่อไป ถ้ายังมีความอยากก็ไปหาร่างกาย ม, มาเมื่อทปต่อสนองำความอยากต่ออันนี้ต้องวิเคราะห์ต้องพิจารณาถึงจะเห็นนะใจอนาัตตาแล้วก็จบชัดคําตอบสุดท้ายอยู่ที่หนัตตาอนัตตลักษณะสุดะพิจ า, า, ารณาอนัตตลักษณะสุดะเรเห็นทุกอย่างไม่มีตัวตอนไม่มีเราไม่มีเขา ก็ไม่มีอะไรจะยึดจะติดเราไปยึดกับธรรมชาติได้ไหมยึดกับดินน้ำลมไฟยึดกับฝนฟ้ากาได้ไหมฝนฟ้าากาบางคร<า>ั้งพิจนารณาในแง่ว่าความอนันตามันคือบังคับควบคุมไม่ได้ค่ะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดก็ใจเบาเหมือนกันนะใช่มันก็เป็นส่วนหนึ่งเราไม่บังคับธรรมชาติไม่ได้โอเคมีอะไรไหม ดีครับขอบคุณขอบอาจารย์ครับอคไปฮอแนก่อนตะวันฮอแนจเนียตะวันจูเนียอากมัสฟามปาครับีอะไรไหมวันนี้จะถามอะไรปะวันนี้แค่มีหนึ่งคำถามครับเอาว้ามาพูดดังๆหน่อยถ้าเราสวดมนต์ออนไลน์เป็นปุนมากกว่าเลโอหรือว่าชาครับ สวดมันออนไลน์เนละสวดเกี่วกับการออนไลนไ์ไม่จริงเวลาเขาสวดมนต์นะคะพระอาจารย์สวดบอกเร็วหรือว่าสวดแบบช้านะคะที่เขาจะได้บุญมากกว่าอันนี้คือเขาสงสัยนะคะะอาจารย์อ่าเร็วช้าไม่ได้บุญมากกว่าอยู่มากหรือน้อยจะได้บุญมากกว่าอยากได้บุญมากกาสวดมากๆสวดนานๆไม่ใช่อยู่ที่เร็วหรือช้า ส่วนเร็วแต่สั้นจะไม่สวดเร็วห้านาทีถ้าสวชาดช้าก็สิบนาทีสวชดช้านีว่าในสิบนาทีสวดให้มันนา น, านใจมันร้อนมันอยากจะไปเล่นไปเที่ยวก็เรีบสวดให้เร็วใช่ไหมอันนี้มันก็มีอยูใช่อันนี้ถูกกิเลูกิเลสเดินไปใจร้อนต้องใจเย็นสวดให้ใจเย็นเราไม่ให้สวดให้ใจร้อนเพราะยัง เรไม่ได้สวดเพออยากจะไปเล่ น, น, นใช่ไหมสวดสวดเพ่อให้ไม่อยากเล่นอะไรอยากให้อยู่เฉยๆ mm hmm. อยู่เฉยๆมันสบายกว่าเล่นหรือเปล่าเราทําดเสร็จต่อไปองเราอยู่เฉยๆให้ได้เวลาอยากเล่นอะไรก็ถือนมันสวดบนไป mm hmm. สวดไปันกว่าความอยากเล่นหายไปพอความอยากเล่นหายไปสบายไม่ต้องเล่นอะไรไม่ต้องไปรับควหน้าไปขอ้แม่ซื้อเกมมาให้เล่น mm hmm. ใช่ไหม เกมเล่นมาเกม เ, เดี๋ยวก็เบื่อใช่ไหมเดี๋ยวก็ต้องขอแม่ซื้อเกมใหม่มาเล่นอีกไม่ดีหรอก ส, ส่วนบนเดียบ่าถ้าจะเล่นเกมมาส่วนบนส่วนบนเดียบ่าสตานก็ไม่ต้องเสียอืแล้วใจก็เย็ยนลงใจก็สบายไม่ต้องไปรบกวนของเงินพ่อแม่ไปซื้อเกมมาเล่นมีความสุขง่ายเลยที่ไม่ต้อ ง, ม, งมีเงินมีทองมี ถ้าเราสวดมนต์ได้เวลาเราอยากจะมีความสุขเราก็นั่งส่วนมนต์ของเราไปเรื่อยๆ น, น, นั่งสมาธิต่อได้ก็นั่งนั่งสมาธิได้ยิ่งดียิ่งมีความสุขมากยิ่งอยากจะได้ความสุขมากาการสวดมนต์ก็นั่งสมาธิต่อเข้าใจไหมเข้าใจครับทําได้ไหมทำได้ครับแน่นอนเนาะแน่ใจเนาะ ขาน้ามารายงานตามคนนั่งได้เท่าไหร่ส่วนได้เท่าไหร่นะตอนนี่เช็ดประมาณเท่าไหร่หนึ่ะตอนนี้เช็ดพอดี7นาทีประมาณ7นาทีแล้วก็ต่อสมาสดิ์ทกี่นาทีลังที่หนูนอนเช้าเย็นเช็ด10นาทีตามอายุค่ะที่จัง10นาทีทั้งหมดนะเช้าค่ะเช้ากับยืนค่ะทำสองรอบค่ะอาจารย์อ่าก็ดีอยากให้มันน้อยกว่านี้นะ ไม่แต่เพิ่มอย่าไปลดน ะ, ะไม่ลดเงินเดือนนะต้องเพิ่มเงินเดือนอธ <c oughs> ิบายไหมโอเคมีอะไรัหมไม่มีแล้วค่ะมมีอะไรไหมลูกไม่มีเลย<ร>ตอนนี้ก่อนนะขอบคุณค่ะอันที่ฝนกับปิน่ะนวอนิ่ม มาสกักการค่ะพระอาจารย์ผลกระทีมค่ะวันนี้เอาลูกชายมาส่งกันบ้านค่ะพระอาจารย์ว่ามาทีมมีอะไรบ้างก็มีเวลานั่งรถนะคะไปโรงเรียนนะครับก็นั่งพุโทโธไปประมาณห้านาทีค่ะแล้วเป็นยงนังไงบ้างรู้สึกไงรู้สึกสบายกว่าเดิมครับอ่ารถติด ก, ก็ไม่ไ ม, ไ, มไม่เดือแล้วใช่ไหมรถติด ก, ก็ปล่อยมันเตะไปแล้วก็สวดมนต์ไปน้อ้ว่าพุโทโธไป ถ้าไม่พุโทโธเดี๋ยวเห็นรถติด ก, ก็ใจร้อนเดี๋ยวกลัวไปไม่ทันน้องเด็กดีนะสวดมนต์แล้วทำให้ใจเย็นนะใจไม่ร้อนอยังนั้นก็ได้ถ้าไม่มีพุโทโธแล้วต้องเอาอย่างนั้นเราเอาอย่างนี้พอไม่ได้ทางใจอยากก็โกรธเสียใจนามาสวมดวมนต์ดีกว่ามนะาทำพุทโธดีกว่านั่งสมาธิ ทำให้ใจเราเย็นทำให้ใจเราไม่ไ ม, ไม่หิวไม่อยากได้อะไรไดีไหมดีค่ะดีขึ้นไหมลูกสวนเดี๋ยวนี้ก็เขาก็พยายามจะให้เขาภาวนาพุโทโธตามที่พระอาจารย์ให้การบ้านไปอะคะ่ะที่ทำเช้าเย็นครั้งละห้านาทีอะคะ่ะเขาก็ก็ทำได้ส่วนใหญ่ก็จะทำได้คะ่ะมีบางวันก็อาจจะงองแงนนิดนึงแต่ว่า เขาก็บอกว่ามันดีขึ้นนะคะพระอาจารย์เขาก็รู้สึกว่าใจเย็นขึ้นนะคะงานี้ยิ่งทํายิ่งมากเท่าไหร่ยิ่งเย็นมากขึ้นอีกอยากให้เย็นวันนี้ก็สวดเพิ่มอีกสักห้านาทีเป็นสิบนาทีนึงพ <c oughs> โทโธต่อนั่นต่อนะ <c oughs> ทํำให้มาก <c oughs> ๆ, ๆไม่มีโทษมีแต่มีแต่คุณประโยชน์นะนนงานการจัดระเสติการนั่งสมาธินี้มีแต่โทษมีแต่คุณประโยชน์ไม่มีโทษ ยิงมากยิ่งดีได้ไหมคะโอเคมีอะไรไหมไม่เลยครับของขอนี่เดียเด๋ยวกล่าบพระอาจารย์ดีๆลูกคุณแม่จะขออนุ ญ, ญาตถามนะค่ะพระอาจารย์ <c oughs> พอดีก็ช่วงนี้ก็มาทำความเพียนะคะตั้งแต่เข้าพรรษามาค่ะหนูก็เลย อ, อย่างวันนี้ค่ะก็ วันพระค่ะหนูก็เลยตั้งใจปฏิบัติธรรมคะ่ะถึงแม้ว่าจะไปทํางานแต่ว่าก็ตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมที่ทํางานแล้วก็ถือศีนะคะพระอาจารย์แต่ว่าอาจจะยังถือไม่ได้ครบแปดข้อะคะ่ะแต่ก็วันนี้ก็ไม่ไม่ดูทีวีไม่เข้าอินเทอร์เน็ตไม่เข้าเฟซบุ๊กไม่เอาทางด้านความบันเทิงเลยค่ะพระอาจารย์มีเวลาว่างจากการทํางานก็ก็จะ นั่งสมาธิอะค่ะแล้วก็เ อ, อ, อ่านหนังสือธรรมะแล้วก็ฟังเทศ ฟ, ฟังทรรพระอาจารย์อย่างเดียวเลยค่ะแล้ววันนี้ก็นั่งสมาธิไปสองรอบรอบแรกก็ได้อยู่แล้วก็รอบที่สองก็ตอนที่พระอาจารย์กําลังเทศอะค่ะหนูก็นั่งทําสมาธิไปด้วยก็นั่งได้จนจบที่ถึงพระอาจารย์เทศอะค่ะพระอาจาจรย์ก็เลยจะมากลับเรียนพระอาจารย์ค่ะเรียนพระกิจกรรมเหล่านี้มันทําให้ใจเราว่างใจเปาาใจเราสบาย ที่ก็ไปึูบันเทิงมุ่งเรื่องราวต่างๆมันปกติทำให้ใจเครียดใจวุ่นวายค่ะก็หนูสังเกตว่าถ้าเกิดหนูได้เจริญสติอย่างที่ตัง้งใจไว้อ่ะคะ่ะถ้าได้เจริญสติทั้งวันนะคะหนูก็จะรู้สึกว่าถ้ามานั่งสมาธิจะสามารถนั่งได้นั่งได้ดีพอสมควรเลยค่ะพระอาจารย์สติเนี่ยสำคัญ ม, มากสติเป็นเหตุสมาธิเป็นผล ถ้ามีสติก็จะนั่งได้นะสงบได้มากถ้าไม่มีสติก็ใจก็จะคิดคุ้งซ่านนั่งแล้วก็นั่งไม่ได้นาทนทนไม่ไหวค่ะคือหนูรู้สึกว่าแต่คือตอนเนี้หนูก็เพ่งเอโฟกัสอยู่ที่กับเกี่ยวกับการเจริญสติก่อนนะคะเพื่อที่จะให้สามารถนั่งสมาธิได้สงบขึ้นนะคะพระอาจารย์ตอนนี้ก็เลยเน้นความเพียรเรื่องนี้แล้วก็จากที่ ไม่เคยไม่เคยอดข้าวเย็นได้อ่ะคะ่ะตั้งแต่เข้าพรรษามาก็ไม่ไ ม, ไม่ไม่ทานข้าวเย็นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้นั่งสมาธิได้แต่ว่าก็อาจจะมีบางวันที่ทานกับครอบครัวบ้างแต่ว่าโดยส่วนใหญ่ตั้งแต่เข้าพรรษามาอย่างอย่างตั้งอาทิตย์นี้ทั้งอาทิตย์ก็ก็ตั้งแต่หลังเที่ยงพอทานมื้อเที่ยงเสร็จก็ไม่ทานอะไรอยงอื่นเลยะคะ่ะแล้วก็ถ้ากินน้ําก็ทานแต่น้ําเปล่าอ่ะคะ่ะตามที่พระอาจารย์เคย เคยได้ที่พระอาจารย์บอกมาค่ะก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะพระอาจารย์ใช่ความสุขจะมีมากขึ้นความสงบมันใจเย็ยนใจสบายไม่วุ่นวายกับเรื่องราวต่างๆรูเสียงเกลียดลอดต่างๆก็พยายามทําให้มากทําไปเรื่อยๆสติคอยเน้นสติลองฝึกสติช่วงนั้งแต่เราตื่นเช้าขึ้นมาตอนที่เราไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครดึง ตรงที่เราต่นขึ้นมาไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันอาบน้ำแต่งเนื้อแต่งตัวเนี่ยเราลองดูด้วยว่าเราจะสามารถประคอบสติได้ไหมไม่ใจไปคิดเรื่องอค่ะก็อย่างวันนี้ก็ตั้งใจทั้งวันนะคะพระอาจารย์เดี๋ยวนี้เหมือนตื่นมาปุ๊บจะพุทโธอัตโนมัติไปแล้วอะคะ่ะหรือแม้กระทั่งอตอนนอนถ้าเผลอรู้สึกตัวแบบตอนกลางคืนโดยที่อาจจะสลืมสลือก็เหมือนลงพุทโธไปเลยโดยอัตโนมัติอะค่ะพระอาจารย์อืม ยาส่วนใหญ่มันเป็นอัตโนมัติ่อ้อมันพุทธเทาไหลออกมาเองเลยไม่ต้องบังคับมันก็จะทําจะทําความเพียรต่อไปอะคะ่ะพระอาจารย์ทำไปแต่ละเดี๋ยวจะเห็นผลแล้วจะกิดความมาสะใจว่าออรถแห่งธรรมชนะรถทั้งปวงว่าเป็นอย่างไงใช่ครับพระอาจารย์ก็หนูก็พยายามทําอยู่ <laughs> เพราะว่าเหมือนตั้งใจปฏิบัติบูชาพระอาจารย์ด้วยค่ะจากนี้ไปอะค่ะได้ได้โอกาสมา มาหาโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนาเป็นครูเป็นอา จ, จารย์ของพวกเรานงั้นอย่าอย่าปล่อยให้โอกาสอันยาก น, นี้หลุดมือไปถ้ามาเราเสียชาติเกิดนะแล้วไม่ได้เรติดตัวไปไม่ได้เาจากพรพุทธเจ้าไปหนู<ม>ตั้งใจไว้แล้วค่ะพระอาจารย์เพราะว่าหนูก็โชคดีได้มาคุณพบพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นพระอาจารย์นะคะ<ม>่ะหนูก็ไม่อยากทิ้งโอกาสนี้่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยต้องเร่งทําความกลับมาเร่งทําความเพียรต่อค่ะ ค่ะกล่าวขอบพระคุณพระอาจารย์มากค่ะความพยายามนี้ไหนครับสําหรับยีนั้นจะสาธุค่ะพระอาจารย์หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรค่ะขอบพระคุณพระอาจารย์ค่ะมาที่แอปเชียงใหม่พี่น้องสองคนมีอะไรมารายงานบ้างเฮ้ยพะกดเร็วครับกลับมาครับพระอาจารย์ข้ามกราบพระอาจารย์ อยากมากล่าวพระอาจารย์ครับอยังไงส่วนบนไหว้พระมัางหรืล่าไหว้พระส่วนบนไหนมันนมามา่งหรือปสวดมนต์ครับไม่เคยนะไม่ค่ะ<笑><笑>บางวันเต๊ะแต่ว่าวันผมสวดไปเช้าทุกวันต้องทำทุกวันก่อนนอนก่อนจะนอนก็ไหว้พระอินทริไว้ก่อนนโมตัสสะอาลังสัมมาอิติปพิเศ<ม> แล้วก็สมาทานศีลพุทธังสานังกชามิปานาติปาตานเแล้วก็จบด้วยแผ่เมตตาสเพสัตตาเวลาหุนตุทั้งหลายนั้งปวงจงไม่มีเวรยันเถอดแล้วก็กราบพระแล้วก็นอนกราบพระแล้วกราบพ่อกราบแม่ด้วย ทำเป็นประจําจะได้ไม่ลืมคุณของ่เป็นคํามธรรมว่าพุทธารราวสังไม่ลืมคุณองพาะของแม่เข้าใจไหมค่ะทําได้ไหมแค่นี้ง่ายง่ายทำได้ค่ะไม่ใช่เป็นของยากเย็นไปเลยโอเคถ้าไม่มีอะไรจะถามรือเปล่ามีอะไรจะถามหรือเปล่าเอามีน้องชายมีคําถามอยู่ในคําถามว่ามีคําถามอะไรบ้างเชิญเข้ามา ครับพาจารย์เกี่าวกับมรสการครับว่ามันมีอะไรคือผมเป็นโรคอ่าปลายประสาทอักเสบเนี่ยถ้าเรานั่งสมาธิจะทําให้หายได้ไหมครับถ้ามันเป็นเรื่องทางร่างกายมันก็มันอาจจะหายอาจจะไม่หายมันก็มันไม่เกี่ยวกับการนั่งสมาธินั่งสมาธิมันเกี่ยวกับเรื่องใจเรื่องการไม่มีสตอิอ๋อบางทีถ้าถ้าใจดีมันก็อาจจะไปทําให้ร่างกายดีตามันได้ อนนี้ไม่รู้นะเพราะเราไม่รู้ว่าโลกปลายภาสาเนี้เป็นยังไงมั น, น, น, นจะเหมือ น, น <ะ S 2> เป็นเส้นๆอยู่ตรงตามเท้าตามมือตามอะไร่เงี้ยแต่แป๊บเนี้ยมันเฉียวแวบๆบแบบอย่างเงี้ยมันวิธีอะไรมาทิ่มอะไรเงี้ย อ, อันนั้นรู้สึกจะเป็นทางของทางปภาสาเนอะกับทางร่างกายเนอะ <Ừ. S 2> แต่ประโยชน์ได้ถ้ามีสมาธิก็จะทําให้ใจเราไม่เดือดร้อนกับมันได้ใจเราจะเฉยได้ต่อรับมันได้ก็คือใจมันจะมั่นใช่ไหมครับใจมันจะเฉยๆ ม, มันจะเป็นก็เป็นครูไม่เดือดร้อนกับมันเอมือนกับไรหครับครับขอบคุณครับ น, นี้ได้ประโยชน์จากสมาธิทําให้ใจวางเฉยได้ไมีโอเบคขาครับอยู่กับความเจ็บของร่างกายนะครับ แต่จะให้ร่างกายหายนี้่คงจะไม่เกี่ยวกันถ้าหายได้พระพุทธเจ้าก็ไม่ตายนะนะเราอยู่มาถึงวันนี้นะครับเรื่องของร่างกายนี้ไม่ได้การทําสมาธิการปฏิบัติธรรมไม่ได้ทําให้ร่างกายไม่ไม่ตายอาจจะยืยยดอายุได้พระพุทธเจ้าบอกถ้าจะยืดอายุข อ, องพระองค์ก็ยืดได้ไป อ, อ, อีกระยะหนึ่งแต่ก็ต้องตายไปอยู่ที่ครับ งั้นเตรียมตัวตายดีกวเตรียมตั ว, ตต ว, ตตวตยยเจ็บยอมรับความเจ็บยอมรับความตายถ้ามันถึงข้าขเราจะต้องเจ็บก็อยอมรับไปแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันใช้ใช้สมาธิช่วยรับได้สมาธิเหมืนอนเบาะเวลาตกจากที่สูงลงมาถ้ามีเบาะรองรับมันก็ไม่เจ็บใช่ไห ม, มถ้าเรามีสมาธิเวลาร่างกายเจ็บใจเราก็จะไม่เจ็บไปกับร่างกายครับ อ่คือคําตอบพอใจไหมครับขอบพระคุณครับพระอาจารย์ครับโอเคครับครับไม่มีคําถามครับอาจารย์หมดแล้วนะครับมารับฟังครับอาจารย์โอเคอย่มีเด็กเหนื่อยไม่ไม่มีแล้วนะได้ไปกลับที่ต้นคิวต้นคิวคุณนั้นนณภทพัฒน์ามาก่อนนี้ค่ะนันทพัฒน์เชิญบนราชการินมีมีมีเป็ดผ้ากับหมี้นะเดี๋ยวขอเพ็ดผ้าก่อนนะเป็ดผ้าว่ามา จะพาอยู่ที่ไหนเป็นไม้ก่อนยางครัพูดได้เลยเออเอาตุกตาจากใครมาเนี่ยครับตตาสับได้ทุ๊กตานะมาฟังเทศเดนได้ตุกตาดีไหมห มีอ ะ, <จ>ะไร<ห>่ะ<า><า>ถามมีอะไรจะถามน้องจ้าบ่างพ่อหนูไม่ให้สดวดมนต์หนูสวดมนต์ได้ไหมสวดสั้นๆกันหนูให้พ่อพ่อหนูหรอเปลพ่อหนู <ๆ S 1> ก็เล่นให้หนูแบบนอนคิดแบบแบบ สิบเรื่องที่สนุกแล้วเรื่องที่แบบหนูหนูชอบแล้วมันจะช่วยหนูนอนหลับหวนดีอก็แล้วแต่ถ้าพ่อเขาไหวอย่างนั้นหนูก็ต้องทําตามพ่อเขาอสอน แ, แต่ว่าอยากอยากจะแบบว่าให้ให้เขาภาวเริ่มภาวนาผุดโพเนี้ยคะ่ะค่ะอาจารย์ถ้าเป็นแบบว่าก่อนนอนสักประมาณเข้าออกสิบครั้งอย่างเงี้ยก่อนได้ไหมคระอาจารย์ได้กี่ครั้งก็ได้กลัวว่าคนที่บ้านจะมา ไม่พอใจให้ไปสอนขาดกับขาดกับอาจารย์ใหญ่เขาเพราะว่าจริงจริงค่ะก <Huh? S 1> ถ, ถ้าทําได้กันดีพูดโธได้กันดีสวดมนต์ได้กันดีแต่ถ้ามีคนเข้ามา <Okay. S 1> ห้ากว่าจะทํายังไงล่ะจะใส่พุทโธพุทโธเนี่ย น, นะ คนที่ไม่มีบุญก็อย่างนี้ ม, มีอยู่กระมารมารก็จะคอยประชนคอยจะขวางใช่ค่ะ<ม>โอเคนะก็สอนไปแล้วก็ซิปก็ซิบแล้วก็ทำเงียบๆของเราไปไม่ต้องให้ใครเข้าร่มก็ได้ขอบคุรเจ้าคุณค่ะ<ม> โ <Okay. S 2> อเคฮะหมดแล้วนเด็กโ okay. อเคบายบาย่าไที่คุณ น, น, น, น, น, นันพภัทรต่อนันทภัทรแระมวุ่นกาบนมัสการเจ้ขขาข่าพระจานทร์ วันนีล้ลูกมีหนึ่งคําถามจ้ะค่ะที่ได้เห็นการโพสต์ที่เฟซบุ๊กวันนี้หรือไม่แน่ใจวันไหนเอมีมบอกว่าการจะดูว่าความก้าวหน้าของการปฏิบัติธรรมให้ดูที่อารมณ์ว่าแรงขึ้นหรือเบาลงความหมงุดหงิดลาคาญใจน้อยลงหรือมากขึ้นนะคะพระอาจารย์ก็คือเราปฏิบัติเพื่อให้ยอมรับความจริงว่าไม่มีอะไรเป็นไปตามความต้องการของเราอันนี้คือการที่ อารมณ์เราจะแรงขึ้นหรือเบาลงหรือความหงุดหงิดรำคาญใจน้อยหรือมากขึ้นอย่างนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์หรือว่าสามารถปล่อยวางได้มาจากสติสมาธิปัญญาใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วเราปฏิบัติอะไรนะค่ ะ, ะเราทำทำไมค่ะมันมาจากไหนก็ามาจากการปฏิบัติของเราค่ะอ๋อเราปฏิบัติอะไรอยู่ตอนนี้เ ร, เราอยากจะรู้มันก้าวหน้าอย่างไร การปฏิบัติของเราเนี่ยเป็นเหตุที่ทําให้มันเกิดอ่การลดน้อยถอยลงของกิเลสตัญหาอารมณ์ต่างๆ อ, ม, อ ม, มันเป็นคู่ต่อสู้กันธรรมกับกิเลสมั น, เ ป, นเป็นคู่ต่อสู้กันถ้าธรรมมีกําลังมากขึ้นกิเลสมันก็อ่อนลงถ้าธรรมอ่อนลงกิเลสมันก็มีกําลังมากขึ้นก็ร้อนขึ้นถ้ากิเลสแรงก็ทําใจก็ร้อนถ้าใจ ถ้าทำแรงกว่ากิเลสใจก็เย็นใจก็สบายก็ดูตรงนี้อยู่ที่ใจใจเป็นเหมือนกับเป็น เ, เป็นเป็นที่วัดฝนของการปฏิบัติของเราถ้าเรามีความสุขใจมากขึ้นเย็นใจมากขึ้นสบายใจมากขึ้นก็แสดงว่าเราเก้าหนะ้าอแล้วค่ะอาจารย์แลค่ะอัน<บ>นี้เ ข, จจข้าใจเจ้าค่ะอาจารย์ก็คือ ดูที่ความความสบายใจความไม่ทุกข์ใช่ไหมเจ้าขาพาต่ะใช่ทุกข์น้อยลงค่ะมากขึ้นมันในสุขจากการไปเสพรูปเสียงกินร้วยนะอ๋อค่ะคะความสุขที่เกิดจากการปฏิบัติทานเสียงภาวนาเป็ความสุขกระอย่างกันค่ะเจ้าขาพาต่ะค่ะสําหรับวันนี้ลูกมีคําถามเพียงเท่านี้เจ้าขาพาต่ะ โอเคเห็นไปที่คุณหมอพิเชษต์หมอพิเชษต์ต่อตกลางมสการ์พระอาจารย์ครับขอความเมตตาพระอาจารย์ได้อธิบายข้อธรรมะในเฟ e บุ๊ k ของพระอาจารย์ครับที่ว่าสิ่งที่จะทำให้กิเลสตัณหาตายได้คือกรรมฐานครับก็ กรรมฐานนี่ก็เป็นเหมือนกับเป็นอาวุธที่เราใช้ต่อสู้กับกิเลสฆ่ากิเลสได้ก็ลงชื่อมีกรรมฐานมีกรรมฐานก็มีสองสองลักษณะกรรมฐานที่เป็นสมถะกับกรรมฐานที่เป็นมิปัสสนากรรมฐานที่เป็นสมถะก็จะมาปราบกิเลสได้เป็นชั่วคราวคล้ายๆว่าตายให้มันนับแปดได้แต่ไม่ถึงนับสิบ การนับสิบนี้ก็ต้องใช้กรรมฐานที่เป็นวิปั ส, สนาหรือปัญญาอเริ่มตน้นเราก็ใช้กรรมฐานที่เป็นสมถะก่อนเพราะมันง่ายมันไม่ต้องมันไม่ต้องคิดพิจารณาเ็นแต่ให้มีการเลืกรู้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นพุทธานุสติก็พุทโธพุทโธไปอืกายักตาสติก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทําต่งางๆของร่างกายไป เวลานั่นก็ดูลงอนาปัญสติก็ดูลงหายใจไปถ้าเรามีสติอย่างต่อเนี่ยไม่เผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นดลดความคิดลงได้ตามลำดับขณะนั่งสมาธิมันก็จะสงบพอสงบกิเลสตัณหาก็หยุดทํางานชั่วคราวใจก็เยน็นใจก็มีความสุขแต่พอจากสมาธิมาเริ่มคิดตอนแรกไปสมัมผัสกันรู้เสีงยงเกิดกกิเลสตัณหาก็ โผล่ขึ้นมาสร้างความนุ่มว่างให้แก่จิตใจถ้าอยากจะกําจัดปีเลตหาขั้นต่อไปให้มันหายไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญากรรมฐานคือปัญญากรรมฐานก็คือการการดูสิ่งที่มันไม่เทียมเช่นดูความตายของร่างกายร่างกายดูความไม่สวยงามของร่างกายอสุภาพมันก็จะดับความกลัวตายได้ดับความนับการอารมณ์ได้ อันนี้ก็เป็นกรรมฐานที่ที่เราเป็นปัญญาที่จะกำจัดความโกตายที่เหลืวิภาะวะตถ า, มา ไ, ไม่อยากตายไม่อยากได้อย่างถาวอนเาเห็นว่าในที่สุดนั่งตายก็ต้องถึงแก่ความตายไม่มีบายพ้นจากนี้ไปไม่ได้ถ้าอยากจะละการมาาคาก็ให้ดูอาการสาสิบสองดูทราบศพ ไบหน้ากายเห็นโครงกระดูกในพวกเรามีโครงกระดูกอยู่ทุกคนเนี่ยตอนนี้มีกระโหลกศีษรษะจะมอะไม่มีใครมองเห็นกันเลยจังมองไหนเห็นแต่หนังที่แปะไว้ครอบไว้จะมีนหนังนี้ก็เป็นเหมือนถุงครอบหน้าครอบกระโหลกศีษรษะไว้แต่เราฝึกพิจารณาหันมองไปเรื่อยๆต่อไปเห็นเห็นหน้าตาใครก็แต่เห็นกระโหลกหนอึ่งสามหรือไปได้เพียงหนัง่ง มันเนี่ยลองขอดูดเด็ดเนยมันข้อหนึ่งพวกพวกเนี่แข็งพวกนี้ขาา้างล่างไปเลย <c oughs> ไม่เคยข้อกระหล่ำซีสาวตัวเองใช่ไหมอันนี้ก็กรรมฐานที่เรียกว่าเป็นปัญญาหรือมีปัจฉนาเข<ม>้าใจไหมเข้าใจมากเข้าใจมากที่ตอนเราจะใช้สมถะกรรมฐานที่เป็นสมถะเพราะมันง่าย <c oughs> แล้วก็จะช่วยให้จิตมีกาลังที่จะพิจารณาทางปัญญาได้ต่อไปถ้า <c oughs> ยังไม่มีสมรรถใจยังไม่สง บ, บเลยกิเลสมันจะเดินไปคิดเรื่องกิเลสมันจะเดินไปหาลาบยกเสลเส ร, เสรหารูปเสียงเกิน <c oughs> อยู่เรื่อย <c oughs> เห็นอะไรก็ดี <c oughs> เห็นอะไรก็สวยงาม <c oughs> เห็นอะไรก็น่ารักเห็นอะไรก็สุขเห็นอะไรก็อยากได้ ถ้ายังไม่มีสมาถะนี่มันมันจะหิวโหยกับโลกเสียงกิดร้อนตลอดเวลาแต่ถ้ามีสมาธิแล้วใจมันจะอิ่มมันจะไม่ค่อยหิวโหยแต่มันก็ยังไม่มันก็บีแต่มันไม่รมุนแรงเหมือนตาที่ไม่มีสมาธิก็ <c oughs> <c oughs> จะทําให้เรามีเวลาที่จะเอามามองทางปัญญาได้ดังนั้นมต้นต้องอาสมาถะภ า, าวนาก่อน ทำใจให้สงบ้วปฏิบัติให้มันชํานาญทําใจใสงบได้ทุกเวลาที่เราต้องการเพราะถ้าเราไปพิจารณาทางปัญญาบางทีมันอาจจะทําให้เกิดอารมณ์ฟุง้งซ่านหรืออารมณ์อะไรไม่ไม่ไม่สบายใจขึ้นมาได้ถ้าเราไม่มีสมาธิเรากา จ, จะเนื่องให้มันจํามาเป็นปกติยากนั่นก็ต้องมีสมาธิไว้เป็นที่ เป็นที่ขึ่งของใจหน่อยเป็นหลักใจพอเวลาใจพังเผลอใจไปพลาดทําให้เกิดความฟุ้งซ่านความเครียดความทุกข์อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาไม่อย่างน้อยเข้าสมาธิทำมันได้เข้าใจมากขึ้นเลยครับอาจารย์กับของคุณอาสุครับอานี่คนที่ติดมาต่างคนที่ติดมามาเยอะ วับนักการศึกษาอาจารย์อ่าวันนี้ค่ะเป็นวันแรกของสัปดาห์ที่สองที่หนูถือสิบแปดค่ะงานยากไหมอ่าไม่ยากค่ะตอนนี้สบายแล้วค่ะอืมมีกินอยากจะกินอะไอตอนนี้ไม่เลยค่ะ <c oughs> ตอนนี้ก็คื อ, ต, อต้ตองกวาดเตาตนนิ้ตอนเย็นก็ยงัยงยังกินอยู่ตอนนี้้องไม่ไกินอยู่นี่นี่ไง ปกติก็ทานบางค่ะไม่ไม่ทานบางอืค่ะทานนี้ก็ต้องมีสติมากขึ้นจะหยิบอะไรแค่บ้างก็มีเวลาก่อนให้เวลาใช่<ะ>ค่ะอคือก่อนเที่ยงก็ต้องรีบแล้วแล้วก็บางทีก็ไม่ค่อยหิวค่ะก็โอเคอยู่ค่ะมไม่ไม่อาจจะอาจจะไหวหอยู่ดานดานเข้ามาันอาจจะเริ่มกิเลสมันจะเริ่มแรงขึ้นก็ได้ <c oughs> ต้องระวังองย่าประมาท ทั <C oughs> ้เราติดตามไปเรื่อยๆค่ะระยะระยะถามเป็นเครื่องวิสูจน์มาเวลาเป็นเครื่องพิสูทธ์คนนะสาธัยอาจารย์ดูเวลาว่าเราจะารักษาสิ่งของเราได้ไหรือไม่ค่ะเป็นมาเต้นต้นหรือมาตีนปลายค่ะระอาจารย์วันนี้ไม่มีคําถามคนุกเข้ามารักฟังคโอเคไป่ได้ใชหน้าเลยคุณศาสตรกา <c oughs> มาังคำคุณคราอาจารย์ปฏิบัติค่ะมีคิวขึ้นเขาปะอ๋อลงไปเดียนหน้าค่ะครูอาจารยนน์นะ ค, ค่ะนนไปที่คุณจูกรทมาใช่ไหมจูอยาบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะอยู่ที่ไหนนะจำไม่ได้กุตโตเบค่ะพระอาจารย์โกเโเบโเบค่ะา า้าจะสไลด์วันนี้ไม่มีอะไรหรือก็ขาดก็ยังฝึกพยายามฝึกสติอยู่ค่ะหลังๆพอเวลาที่เราไปเจอคนเยอะๆหรือว่ามีนัดรวมกลุ่มกับคนเยอะๆเนี่ยมันทำให้จิตเรามันฟุ้งหลุดไปบ้างก็มีค่ะพระอาจารย์ก็พยายามเรกลับมาได้งกลับมาได้มั้ยได้ได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะ พอดีอย่างไ้อยเรารู้ว่ามันฟุงแล้วเมื่อก่อนไม่รู้เลยใช่ไหมเมื่อก่อไม่รู้เลยเจ้าค่ะแล้วมันฟุ้งก็ไม่รู้จะทํำยังไงด้วยใช่ไหมเจ้าค่ะจบครอันนี้เราเริมรู้จิตเราใช่ไหมหรือว่ามันฟุ้งเราก็ต้องใช้พุโทโธพุโทโธใช้คําบริกรรมอ๋ออีอนนี้ยังหนาวอยู่เป่าที่บุนได้ข่าอายุเข้าหนระือายุเข้าค่ะพระอาจารย์ร้อนค่ะอ<ม>ารร้อนมากๆนนเลยค่ะ แรงมากเลยค่ะพรอาจารย์คนเป็นลมแดดกันเยอะเลยค่ะปีนี้อฝนค่ะพระอาจารย์อีกไม่นานไม่นาเ น, นะะี่ยค่ะอไต้ฝุ่นอันเบอร์เจ็ดกำลังจะเข้ามาค่ะพรอาจารย์จริงๆริงไตฝุ่นเลยนะคะลูกใหม่ใช่ลูกใหม่ใหม่เข้ามาครับต่อ น, นี้ก็คือว่ามันหันไปทางเกาหลีเรียบร้อยแล้วค่ะพระอาจารย์ช่วงนี้เป็นช่วงของไต้ฝุ่นเพราเราทําได้ ตอนที่เราไปอเมริกาเราแว่าที่ญี่ปุ่นเดือนเนี้เดือนสิงหาเนี่ยไปลไปลสิงหาจะขึ้นเครื่องจากจากโอซาก้าไปญี่ปุ่นเครื่องดีเลย์เพราะว่ามันเจอใต้ฝุ่นก็ค่ะแล้จะไปขึ้นเครื่องเพื่อจะไปต่อเครื่องที่โตเกียวไปฮาวายไปไม่ทันไปถึงเครื่องออกไปแล้วงรงแรมก็เลยต้องจัดการหาที่พักใหเราค้างอยู่โตเกียวคืนฟรีก็ดีได้เที่ยวโตเกียวหนึ่งวันหนึ่งคืนฟรี มีโรงแรมอย่างดีเลยเพราบอกโรงงานธรรมดาไม่มีมีแต่มีแต่ชั้นหนึ่งโอกรุระในโรงงานโอกรุระแล้วห้องห้องห้องเดียวก็ ม, มีมีห้องซวีอะไรได้อยู่ฟีหนึ่งคืนอันนี้สงของบุญเคยทําบุญมาหกน้ำไม่ไหลายตกไฟไม่มไ<ห>ม่เนี่ยหกเครื่องแม่เด็กามาเล่าให้ฟังหน่อยพอดีคิดถึงมันพอดีช่วงเดียวกันช่องใกล้ฝนข้าวญี่ปุ่น อ่าฝุ่นเข้ามาติดติดกันเลยค่ะอืมจะพยายามปฏิบัติอยู่เสมอค่ะพระอาจารย์มีฟุ้งบ้างมีหลงบ้างตอนนี้หนูก็เริ่มพยายามพยายามสังเกตคือกายตัวเองว่าตอนนี้ทําอะไรอยู่พยายามพยายามให้มีสติตลอดเวลาค่ะพระอาจารย์ทายําได้พยายามทมําไปเรื่อยๆได้บ้างไม่ได้บ้างค่ะเหมือนเด็กทําลังหันหันยืนหันเดินนะน้อมลูกคูกการมันก่อนอ่าใจเย็น ความพยายามอย่างนี้ไหนแนวครับสําเร็จก็ตามมาเองขอบพระคุณเจ้าค่ะ okay. ไปอยู่ญี่ปุนมากี่ปีแล้หนูอยู่หนูอยู่ที่ญี่ปุ่นนี่ตั้งแต่แต่งงานตอนนี้ก็ยี่สิบปีแล้วค่ะอ๋ออยู่นานนะไปคนญี่ปุ่นไปได้ไม่ก็ไม่ไม่ค่ะก็เป็นคนไทยเอค่ะพระอาจารย์ผู้ญี่ปุ่นได้ปะก็ได้ค่ะพระอาจารย์ หมายถึงว่าก็ก็เป็นเขาเป็นซีดิเซนต์เาเราใช่ไหมนี่ขอไม่ได้หนูไม่ขอค่ะพระอาจารย์เพราะว่าที่ถ้าสมมติขอแล้วก็ต้องต้อง<ร>แบบภาษาไทยค่ะพระอาจารย์หนูคิดไทยดีแล้วค่ะพระอาจารย์อืมดีกว่านะค่ะ แ, แต่ทางประเทศไทยเขาไม่ได้ถือว่าเราถ้าเราไปเป็นสัญชาตินสกษาก็ายังถือว่าเราเป็นไทยอไม่ใช่ใช่ค่ะพระอาจารย์ แล้วยังไงมันไ ป, ไปมันไปขาดกับอะไรเขา้าอ่ะก็ไม่ทราบค่ะพระอาจารย์ที่ญี่ปุ่นเขาให้เรื่องค่ะถ้าสมมติถ้าจะถือสัญชาติ์เขาก็ต้องมีแตกแตกของเขาอย่างเดียวค่ะต้องสละอ่ะที่ญี่ปุ่น<ม>อตนูก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันค่ะอาจารย์มไม่เป็นไรถามยังคนญี่ปุ่นนะคะพระอาจารย์คนญี่ปาาุนคนไทยได้คนไทยนยมยนิยมญี่ปุ่น <c oughs> ต้องรักเดียวใจเดียวโอเคอารคุณคะคารยขอบคุณค่ะยานพรหมวิไลมหามอเป็นยังไงบ้างคุณกับน้องการะดอาจารย์ค่ะสบายดีค่ะอสบายดีนะคะสบายดีคุณตามคุณปูนมาค่ะ น้อสกายพ่ออาจารย์ครับสบายดีนะสบายดีครับพ่ออาจารย์วันนี้มารับฟังค่ะโอเคค่ะเรือก็สบายดีทุกคนนะสบายดีทุกคนค่ะอแม่ก็สบายดีค่ะตอนร้อยสองนะตอนมันเข้าร้อยสามหลักร้อยสามหนึ่งค่ะเริ่มไม่ค่อยมีแรงแล้วมั้งคะก็เก่งสุดงคนแล้วล่ะถ้าเกินร้อยยังหายากแล้ว วันนี้ก็ประทานมูลนิธีก็มาบอกว่าผมเคขออยู่ร้อยสองดยได้ไหมอันนี้ไม่รู้เหมือนกันอยู่ต้องมีคุณภาพด้วยนะอยู่แล้วต้องทําอะไรได้ต้องถุกภาพดีด้วยค่ะมันอยู่แล้วมันมันไม่ได้ทําอะไรมันก็ด้อยู่ไปทําไมแต่ถ้ามันอยู่ก็ต้องอยู่นะเพราะองลืมไม่ได้ใช่เราอย่าไปยืมมันก็แล้วกันไปตามอัตภาพ <Okay. S 2> แม่ก็ดูมีความสุขดีค่ะอ่าดีเราจะได้ทําบุญกับแม่มบ้างนะค่ะค okay. ่ะโอเคสาธุการนมัสการค่ะอ่าคุณ อ, อนันตะ์นองกลับถึงบ้านแล้วเหรอวันนี้มาทําบุญที่วัดมาบำเพ็ญบำเพ็ญที่นี่ก็เป็นไงต่างแม่ต่างกันสดหน่ยค <laughs> รับอาจารย์ที่นู่นก็จะสงบดีคะ่ะอาจารย์ในกว่ามเงียบของสถานที่ อก็ะจะได้สติที่ดีหน่อยค่ะกลับถึงบ้านเรียบร้อยแล้วค่ะก็ดีค่ะพระอาจารย์แตกต่างกันจริงๆเห็นก็เห็นเพื่อนๆในเฟซบุ๊กบางในในซูงบางท่านที่เหมือนสงสัยจะไปปฏิบัติที่วัดเพราะว่าคุณหน้าคุณตาอยู่บ้างบางคนก็ ม, มีมีบายอยู่เรื่อยๆก็ <c oughs> ที่เรียนพระอาจารย์ก็วันนี้ก็เป็นวันที่หกตั้งแต่ข้าวพรรษาที่ถือศีลแปดมา เรื่องงดข้าวเย็นจริงๆจริงถ้าไม่คิดถึงก็ไม่ไม่ไม่ได้มีความรู้สึกหิวนะพระอาจารย์ครับมันมันมันมันใจร่าการมัไม่หิวหรอกใจมันไหิวถ้าใจไปคิดว่างเดหิวทันทีนล้แล้วก็จริงๆที่ลูกทำคือเขียนทำเป็นตารางประจำข้าภันษาว่าตั้งใจจะทำอะไรมนะว่าตารางปฏิบัต ว่าเราอยากทําอะไรวันหนึ่งภาวนาให้ได้สองชั่วโมงถ้านั่งมุดครั้งเดียวไม่ได้ก็จะพยายามเก็บแต้มก็เลยเห็นถึงความเปลี่ยนแปลงบางอย่างว่าพอพยายามนั่งแบบว่าให้ได้วันหนึ่งสองชั่วโมงตอนหลังลังเหมือนไม่ต้องใช้คุดโทเหมือนลองเปลี่นมาดูลมหายใจเฉยๆก็ก็สมด้งใจใช่ค่ะสติเราดีขึ้นเนี่ยอันนี้อันนี้รู้สึก amazing นิดหน่อยก็ว่าเอ้ เหมือนมีมีเหมือนมีความแตกต่างมากขึ้นว่าตอนนี้ดูลมหายใจได้ชัดขึ้นแล้วก็สงบได้เร็วขึ้นก็เลยจะมาเรียนหาว่าจังว่านี่คือลักษณะของความก้าวหน้าที่ถ้าเราดูลมได้แสดงว่าสติเรานี้พอว่าลมมันละเอียดมันดูยาก็ตัวมันง่ายกว่าตัวก็เลยรู้สึกว่าพอดูลมได้ก็รู้สึกว่าความสงบมันเกิดขึ้นได้เร็วเพราะเราไม่ได้ไปต้อง คิดถึงคําบริกรรมมากนะเว้ยใช่ไหมอาจารยนิ่งแต่เดี๋ยวขึ้นถ้น า, าจะวัน ก, น, วนก่อนรู้มีปวดอาการปดวดหัวมากแล้วก็ลองดูลมคือมันม า, าพยายามมีสติจริงๆเลยอยากจะมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าเวลาเราพูดถึงธรรมโอโสถจริงๆคือเราให้ใจเราไม่ไปไปยุ่งกับมันไปยุ่งกับมัน <c oughs> อย่าปะยะไปอยากอย่าไปอยากให้มันหายไม่อยากจะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อที่เราทุกทรมารไงเพราะความอยากของเรา อยากให้มันหายเร็วๆแล้วกลัวตายก็ไม่อยากตายก็มิตกกังวลเครียดไปต่างๆกันนะออย่าไปคิดถึงมันปล่อยมันไปห้ามันไม่ได้ร่างกายมันจะเจ็บก็ต้องเจ็บมันจะตายก็ต้องตายแต่เรารักษาใจเราให้นิ่งให้สงบไว้แล้วเราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นใจนั่นคือวันก็ลองลองก็ก็ไม่ได้ไม่รู้เดือดร้อนอะไรผ่านไปสองชั่วโมง ก็ไม่ได้ดีขึ้นก็เลยคิดว่าสงสัยต้องทญญานยาซะและ้วช่วยหน่อยหนึ่งไม่รู้อันนี้ผิดไหมพระอาจารย์นะแต่ว่าก็ไม่ได้รู้สึกทุกข์นะพระอาจารย์ก็อยู่ที่ว่ามันเป็นโรคที่ต้องรักษาด้วยยาใช่ไหมถ้าไม่รักษาแล้วมันไม่หายก็ต้องกินยาหายก็ต้องกินยาไปนอแตกจากว่านอกจากว่าเราอยากจะทดสอบใจแล้วว่าถ้าเราไปอยู่ในสภาพที่กินก็ไม่หายยา ก, ก็ไม่หายอเราก็ต้องดูว่าเราจะทําใจยอมปล่อยให้มันเป็นไปตามเรื่อของมันได้หรือเปล่า อันนี้ต้องข้างหน้าต้องทดสอบดูค่ะอาจารย์ถ้ามีเกิดอาการปวดแบบนี้ขึ้นมาอีกเพราะมันจะมานานๆทีถึงจะเป็นค่ะอาจารย์ตอนนี้ว่าปล่อยให้มันเป็นแล้วหายเองได้เปอ่าถ้าได้ก็ดีต่อไปเราก็จะไม่ต้องพุน่งย <c oughs> ข้างหน้าลูกจะลองดูค่ะถ้ามีมีโรคอาการกําเริบขึ้นมาอีกเพราะว่านั้นก็พอพอเป็นเราก็นั่งลูกก็นั่งดูลมหายใจก็ก็นิ่งๆไม่ไ ด, ไได้ไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรก็แล้วก็คิดใน ใ, ใจเออเกิดคําถาม ขึ้นมาเต็มทีว่าเดี๋ยวต้องมาเรียนถามพระอาจารย์ว่าจริงๆวัตถุประสงค์เวลาอย่างเงี้ยคือเราเราต้องการให้ใจเราสงบใช่ไหมแล้วจริงๆถ้าถึงผ่านไปหลายชั่วโมงไม่ดีขึ้นเราควรจะทานยาไหมหรือจริงเราก็คือลองดูว่าเราจะอยู่กับมันไปได้หรือเปล่า <c oughs> ถ้อเอราไม่เดือดร้อนก็เราปล่อยมันไปอืมปล่อยมันไปดูเชมันจะหายเองหรือเปล่าหรือ <c oughs> ถ้ามันไม่หาเองมันจะตาย เรายอมรับความตายได้หรือเปล่าก็เป็นการทําข้อสอบไปในตัวเลยตายก็ตายว่าถ้าเกิดไม่ตายเราต่อไปเราก็จะไม่กลัวตายไ ม, ไม่กลั ว, ไ ม, ลวไม่กลัวเจ็บไปต่อไปอ่ะนะ้องจางมีอีกคําถามหนึงคราบอานารย์รอบตอนเนี้ยพอเข้าพรรษาเป็นช่วงคือจริงๆไม่เคยเดินจงกรมเลยคะ่ะอาจารย์จนวันลองเดินดูเวลาเดินจงกรมจริงๆเราเราไม่ค่อยได้ความสงบใช่ไหมจางมันเน้นเรื่องสติใช่ไหม คือเราจะคอยควบคุมความคิดแต่มันสงบแมันไม่มากเหมืนกับนั่งสมาธิเห<ะ>มือนพยายามควบคุมความคิดให้ใจว่างให้รู้เฉย<ะ>แต่มันจะไม่สงบนิ่งเหมือนกับเวลานั่งสมาธิแล้วเวลาเราเดินเราเราเราควรจะพิจารณาเลยคะ่ะอาจารย์นะครับว่าเวลาเราเดินเรายังอยู่ในระดับสมาธิอยู่ก็ไม่ต้องพิจารณา<ะ>ให้ให้รู้เฉย<ะ>ให้อยู่กับพุทโธไปให้อยู่กับเท้าที่เราเดินไปค เอาซ้ายขวาซ้ายขวาไปเพื่อไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆเพื่อที่เวลาเรามานั่งสมาธิจะได้สงบได้ง่ายได้เลยเป็นสาเหตุที่เราต้องการต้องเดินจกงกรมเพราะว่าตอนนั่งสมาธิมานานนะมันร่างกายมันเริ่มเจ็บเมื่อยแ ล, แล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมาเปลีย่ยนนิยามถ้าเราอยากจะปฏิบัติต่อเราก็เดินจกงกรมต่อแล้วก็จเจริญสติต่อแล้วเดี๋ยวพอเราเดินจนเมื่อยแล้วเราก็กลับมานั่งใหม่ ถ้ามีสติต่อเนื่อง<ส>ก็นั่งแป๊มเรียนมันาสงบได้เลยอืมนั่งเบาลองเดี๋ยวลูกก็จะลองเนีย่ยครับมาช่วงเข้าพรรษานี้ก็เลยลองเอาจงเการเดินจงกรมเข้ามาอืมด้วาเดินด้วยก็ดี ถ, ดถ้ามันช่วยช่วยเปลี่ยนเอเรียบุญถ้าเรานั่งไม่ไหวแล้วเราก็ต้องลุกขึ้นมอเดันแต่เราจะไม่ทิ้งการเดินสติไม่ว่าเดินยืนนั่งก็ดูอร่อย ได้ค่ะอาจารย์ก็ยังไงลราก็จะมาคอยรายงานก่อนดีการจัดตราดทําตาราดไว้ก็ดีมันจะได้บังคับเราตารางเรียนตารางตรงประตูห้องนอนก่อนจะออกจคือแล้วก็ลงโต๊ะทางานคือเหมือนแบบเราแหละมีเป้าหมายเราตั้งใจจะทำอะไรนี้ช็เลยมันชอบให้เราลืมเนีเรื่องเรื่องการปฏิบัติเนี้มันชอบให้เราลืมะ่ก็เลยต้องทําเหมือนเด็กๆนิดนึงว่าในเวลานี้ต้องทําอะไรบ้างไดอารีมายตัวเองเอาไว้ใช่ค่ะ อืก็ก็เหมือนแบบอา้าลองดูเพราะว่าเหมือนพอเห็นปุ๊บเราจะรู้สึกผิดว่าไม่ได้แล้วมีการบ้านต้องทํานะอืก็ก็อ่ารทำตั้งใจอก็เหมือนอธิษฐานเะนี่ยก็เป็นการทําอธิษฐานทําตารางนี่ก็เป็นการทําอธิษฐานนี่ค่ะแล้วล่ามีสัจจะอย่าอย่าลืมอย่าทําป็นลืมถึงเวลาให้อย่าทำเป็นลืมท่านพูดถูกอ่ะพอออกจากกันเอาจากห้องเห็นนะ ต้องทำต้องนั่งา น, ะ ต, งนานะต้องเดินต้องนะใช่ค่ะก็แล้วก็สังเกตว่าพอเราไม่ทานข้าเย็ยนเนี่ยจริงๆกําลังตอนเย็ยนเราจะดีมากเลยพี่ใช่เพราะมันอย่างที่ท่านพระอาจารย์เคยว่า ว, าวา่าความง่วงเหงาหานอนมันคงจะหายไ ป, ไปใช่นะคะกําลังก็ดีขึ้นเยอะก็มีค่ะก็เลยมาขอญาตเรียนให้ท่านทราบถึงพัฒนาการที่เห็ น, นรดสังเกตตัวเองไว้ค่ะเพื่อนๆจะได้เอาไปเป็นตัวอย่างด้วย โอเคสามชั่วโมงไปที okay, ่ so LA Los Angeles คุณนิสากล่าวนมัสกังกาพระอาจารย์ค่ะวันนี้ลูกมีคำถามนิดนึงค่ะมาเลยค่ะพระจารย์คือเรื่องเวทการข้ามเวทนาค่ะพระอาจารย์ลูกเคยฟังพระอาจารย์เคยเคยแนะนำ เคยมีคนพูดถึงเรื่องว่าถ้าเราจะข้ามเวทนาโดยการแบบนึกถึงนึกถึงร่างกายนึกถึงกระดูกอะคะ่ะแล้วก็เผามันนะคะคือลูกอยากทราบเทคนิคนิดนึงอะคะ่ะพระอาจารย์เพราะลูกพยายามแล้วลูกนึกถึงคือนึกถึงสามการสามสิสองแยกร่างกายแล้วอะคะ่ะแต่ว่านนคนลอย่างกันคนยะอาอ๋คนลอย่างกันใช่ไหมคะอันนี้ต้องซุบเวลานั่งแล้วเกิดอาการเจ็บก้นหรือเจ็บ อะไรเก็บขาค่ะส่วนใหญ่ลูกจะมีปัญหาเจ็บขาสมมติว่าตรงตรงนั้นเริ่มถูกไฟเผาแะไฟไหม้อาการเจ็บนี้จะเกิดจากการที่มีไฟมาเผาตรงนั้นอา้วก็กายเป็นให้ลูเป็นไฟขึ้นมาแล้วก็อินเทอร์จีนอินเทอรนว่ามันนำเริ่มน้ำเป็น้ำน้ำขึ้นมาที่ที่น้องที่ร่างกายนะคะเผาเริ่มเริ่มน้ำไปทั่วร่างกาย แล้วท่วมไปท่วมหัวเลยเราก็ดูไปดูมันเผาไปจนกระทั่งมันมันมันก็มันมันมันฟุบลงมามันกลายเป็นที่เท่าอย่างนี้ไปเลยค่ะแล้วารก็ดับไปลอค่ะะพาจงดูว่ามันจะเป็นยังไงอย่างอมันจะทําให้เรามันจะทําให้เราเดินกับความเจ็บมันทําให้เราไม่ไม่มีความ กลัวความเจ็บแล้วไม่อยากชนิดจาความเจ็บไปอเพราะว่าเหมือไฟเทาร่างกายเราไม่จำเป็นต้องต้องท่องอาการสาสีสองก่อนใช่ไหมคะมองกระดูกเข้าไปมองไปที่ขาของเราแล้วก็คิดไฟฟไกลม่ต้องไม่ต้องสอดไม่ต้องมาแยกล่างอะไรไม่ต้อง ดูให้ไฟมันเผามันเริ่มลามไปเริ่มลุกไปมันเห็นคนที่เขเผาตัวเองไหมคนที่เขาเผาตัวเองแบบพวกเนียให้อย่างมันให้ดูอย่างนั้นดูตรงจุดที่มันเจ็บว่ามันจุดที่เริ่มต้นของไฟคือจุดประสงค์คือจริงๆเหมือนกับอยากจะให้ฝกให้เพ่งไปที่ตรงนั้นใช่ไหมคะพระอาจารย์จุดประสงค์ก็คือหัดทำชาปนากิจ<ค>ร่างกายอ๋อ <laughs> อ๋ อ, อ, อค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวจะลองดูค่ะค่ะอาจารย์เพราะว่าลูกติด เรื่องเวทนาช่วงนี้เพราะว่าอาจะรู้ว่าเราไม่ได้เป็นน่างกายเรามีคนดูร่างกายถูกเผาค่ะอาจารย์วางวันมันมันค่ะรอาาจย์เราเป็นผู้ดูไปน่างกายเป็นผู้ถูกเผาไปค่ะอาจารย์บางวันมันมากองใหญ่มากค่ะเอาไม่อยู่ค่ะอาจารย์พุทโธก็ไม่อยู่ค่ะก็เลย กองใหญ่ที่ทําเป็นไฟกองใหญ่เผาร่างกายทั้งให้ชั่วหัวเผาเผาทั้งตัวให้มันเป็นไปห้ให้นึกถึงให้ว่ามันเป็นแบบเป็นขี้เท่าเลยใช่ไหมคะก็ถ้ายังมีไฟอยู่ก็ยังไม่เป็นขี้เท่าจนกว่าจนกว่าความเจ็บมันจะหยุดไปมันก็จะกลายเป็นเป็นขี้เท่าไปไฟก็ดับไปค่ะอาจารย์เดี๋ยวลูกจะลองทําแล้วลองมาดูนะความเจ็บยังไม่ดับก็ไฟก็ยังต้องลุกต่อไปไปนะควาบเจ็บมันจะหยุดท้ายไปเอาความเจ็บหายไปมันก็เหมือนับ ไฟก็ดับไปร่างกายก็กลายเป็น ท, ทีเท่าความรู้สึกก็เป็นตอนนั้นก็มันอาจจะมีความรู้สึกว่าร่างกายกับพื้นที่เรานั่งนี่เป็นอันเดียวกันร่างกายที่เรานั่งค่ะกับร่างกายที่เรานั่งกับพื้นที่เรานั่งเป็นอันเดียวกันมันดูดกันเข้าไปเป็นเป็นเนื้อเนื่ออันเดียวกันเลยอืมค่ะอาจารย์เพราะมันก็เป็นดินเหมือนกันค่ะอาจารย์ส่วนใจก็นิ่งสงบเย็นสบาย อือจะไม่จะไม่มีการเหงื่อแตกใช่ไหมคะพรลูกคลอกทําครั้งหนึ่งแล้วแบบเหงื่อแบบเหงื่อแตกมากขึ้นคือตอนแรกสงสัยมันกําลังสู้อยู่ใช่ไหมคะอาจารย์เหงื่อเหงื่อแบบเหงื่อแตกทั้งตัวเลยค่ะอาจารย์ถ้าจิตมันปล่อยมันจะสงบแล้วมันก็ไฟก็จะมันก็จะเย็นค่ะพอดีช่วงนี้ลูกแบบมาทํามานั่งสมาธิตอนเช้ามากขึ้นนะคะอาจารย์แล้วมันขยายเวลาแล้วมัน มันมันรู้สึกว่ามันเกิดอาการเวทนากองใหญ่คือจะลุกขึ้นมาเดินก็ไม่ไม่อยากไม่อยากจะเดินค่ะเพราะมันเช้าอยู่แล้วอยากให้ไฟอยากเราไปอยากให้ไฟมันดับถ้ามันยังไม่ดับก็ต้องดูต่อไปถ้าเวทนามันยังไม่หายก็ต้องดูต่อไปค่ะพระอาจารย์ให้มันับเองให้ไฟมันดับเองค่ะอาจารย์อืเราทําดูถ้าเราอยาจะนั่งต่ออย่างนั้นก็จะทําให้เรานั่งสู้กับเวทนาได้ ค่ะอยากจะลองดูค่ะแ้วเรามีอะไรทำเงเรามีอะไรทําอืมค่ะพอาจารย์เดี๋ยวจะลองลองปฏิบัติแล้วเดี๋ยวกลับมารายงานพอาจารย์ค่ะว่าว่าว่าเผาได้ไหมค่ะอาจารย์ต้องให้ให้ความเจ็บก่อนขึ้นก่อนนะไม่ใช่ค่ะค่ะอย่าไปนึกขอถ้าค่ะค่ะอาจารย์ต้องต้องต้องมีเวทนาก่อนอ่าต้องเป็นความเจ็บจริงแล้วเราเปรียบเทียบกความเจ็บเนี้เหมือนไฟเผาร่างกายเราค่ะอาจารย์ ไม่ใช่แล้วนั่งชี้ใช่ยังไม่เจ็บแล้วเราก็นึกขึ้ญญมมนมาไม่ได้ไม่มีคนค่ะพระอาจารย์ค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ที่ที่จุฬาสาลานี้ยังมีอยู่หรือเปล่าคะที่บนเขาอ่ะค่ะศาลาอยู่แต่เราไม่ได้อยู่นะเราไม่ได้ อ, อ๋อแต่ยังมีอยู่ใช่ไหมคะมยังยังไม่อยู่ก็เป็นเป็นเป็นศาลาที่เป็นอนุสรเพราะว่าเป็นศาลาที่มีความเป็นมาที่ ก็น่าน่าสนใจห่ืสาดานี้มันเป็นสาดาที่ชาวบ้านอำเภอที่เราไปใส่บานเนี่ยเขาขึ้นไปสร้างตอนนั้นมีพระปฏิบัติมาจากทางอีสารทางดอดรธานีมาบุกเบิกที่ลุ่นเขาคนที่ปฏิบัติแล้วทั้งทีมีไม้เก่าที่มีคนเขาซือบ้านเก่าแล้วถวายให้สาเร็จพระสงฆ์อย่างสงฆ์ พระอาจารย์ท่าน <Okay. S 2> นี้ก็บอกขอเอาไม้เก่านี้ขึ้นไปทําเป็นกระตอ้อปับปลูกกระต้อบปลูกสาลาบุงด้วย oh. ย่าม oh. อะไรตนะ่างๆชาวบ้านมากใครก็ช่วยกันแบกห้ามขึ้นไปอันนั้น oh. ยังไม่มียังไม่มีถนน oh. รู้สึกว่าทําได้สักสักไม่กี่เดือนก็พอดีก็มีโครงการพระราชนชดีเิแล้วก็มีทําถนนขึ้นไปอนในเมืองทั้นก็ขึ้นไป แล้วสมเด็จพระยาท่านก็ไปรับสเสด็จที่บนศาลาหลังนี้ค่นะค่ะเคยเห็นเคยเห็นภาพในหลวงใช่แล้วทีนี้พวกลูกศิษย์ที่เป็นติดตามสมเด็จพระยาณท่านเห็นว่าถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเกิดในลงมาเขาหน่าจะเอาที่อย่างนี้รับสเสด็จท่านก็ไม่ไม่สมควรก็เลยอยากจะสร้างใหม่ให้มันสมพระเกียรตินี่ก็ว่ พอเรื่องไม่ทราบถึงชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาก็เสียใจเพราะเขาอุตส่าห์แบบผลมาขึ้นไปด้วยความยากลำบากเราสร้างได้ไ ม, ม่กี่เนี่ยก็จะเลื้ยทิง้งอเลยบอกว่าถ้าเล<ม>ี้วยวทิ้งก็จะไม่ใส่บายพอสมเดใจท่านทราบความท่านก็เลาอย่างนี้ไม่ต้องไปเลี้ยวทำไว้เก็บไว้รักษาไว้เหมือนเดิมเพราะตอเราขึ้นไปอยู่ช่วงนั้นเรายังไม่ได้อยู่ช่วงระยะแรกๆนะ สักสองปีแล้วาปีต่อมาเราค่อยขึ้นไปอยู่เราก็ เ, เป็นคนรับผิดชอบก็เลยรักษาพยายามอนุรักษ์ไว้ก็มีการซ่อมบ้างแล้วก็มีการเปลี่ยนลังคาจากมุงมุงหญ้ามาเป็นสังกะสีมันจะได้ไม่ต้องบรอคอยเปลี่ยนอยู่เรื่อยๆตอนนั้นก็พยายามรักษาไว้แล้วก็ใช้เป็นที่แสดงธรรมรับรับญาณโยมที่ญาณโยมไปขึ้นไปหาไปสนทนาธรรมด้วยวก็ทำมาจได้ถ่านถึงเมื่อมีโควิดเนี่ย ก็นนไม่ติด<อ>ต่อโควิดทางปาา่าม้ก็ก็ปิดแม่แม่ตองช่วงนั้นแม่ก็ขกดเข้าไปในอเข้าไปในสถานราชการกเราก็เลยย้ายลงมาอยู่ข้างล่างมาแสดงทําข้างล่างแทนที่น้าปิติแล้วก็พอตอนนี้ก็มันก็เลยอยู่ที่นี่มันสบายกว่าเพราะมันไม่ต้องเดินทางขึ้นลงแล้วก็เวลาแสดงทําก็ออกมาจากปิติอือืค่ะก็ เราก็อยู่ข้างล่ามันสะดวกทั้งด้านด้านด้านไฟเลยค่ะข้านบนไม่มีไฟไม่มีน้าประปาอืมแล้วสมัยก่อนที่เปิดตอนสมัยก่อนที่ถ่ายทอดกันก็ไม่มีไฟเหรอคะคือใช้ต้องใช้แบตเตอรี่ใช่แบตเตอรี่อ๋อที่แบบเป็นลําโพงอะไรก็เป็นแบตเตอรี่หมดเลยนว้าวแม้กระทั่งตอนนี้อยู่ข้างน่าก็ใช้ลําโพงที่เป็นแบตเตอรี่ทั้งอ๋อค่ะอืมอแต่รู้สิ่บค่ะเวลาดู เวลาดูเทปเก่าๆของพระอาจารย์ที่พระอาจารย์นั่งแล้วเป็นแบบเป็นป่ามันดูแบบเขียวเป็นธรรมชาติดูสงบดีมากค่ะพระอาจารย์อย่างตนี้สังขารมันไม่อึเอนะทำไมพระอาจารย์ก็ต้องพระอาจารย์ต้องรักษาธาตุขันดีแล้วค่ะพระอาจารย์จะได้อยู่กับลูกเศรษฐลูกหานรับไปนานนานที่สุดค่ะพระอาจารย์ก็ยังมีถ่ายทอดสดให้ดูเอาของเก่ามาถ่ายทอดสดดูดูค่ะดูทุกวันค่ะ ก็ไม่มีอะไรค่ะมีคำถามแค่เนี้ยค่ะพระอาจารย์แต่ขอบคุณพระอาจารย์อย่างสูงค่ะน้อมนำาปฏิบัติค่ะสาธุค่ะไปที่เซกเท็ซต่อคุณสุภัทราเดลสเท็ซัอยู่ระหว่างฟร์เวอร์เดลัสไหนเจ้าถาบนักมาสการพระอาจารย์เจ้าค่ะ อยู่ทางเหนือของฟอสเปิดเจ้าค่ะอยู่ ใ, ใกล้ๆเดนเดนทันเจ้าค่ะค่ะวันนี้ลูกไม่มีคำถามเจ้าค่ะขอเข้ามาร่วมฟังเจ้าค่ะโอเคใ <แก S 1> ครที<อ>่คุณหมอคุณหมอพีเจเห็นไห ม, ไมตัวอักษณรมันเล็กมากมองไม่เห็นศาสาจารย์เจ้าค่าะ พอาจารย์ ไ, <ป S 2> ได้ยิน<ง>เสียงไว้เจ้าค่ะได้ยินจ้าเจ้าค่ะวันนี้มารายงานผลการปฏิบัติเจ้าค่พระอาจารย์อยู่ที่ภูเก็ตใช่ไหมอยู่ภูเก็ตเจ้าค่ะโ okay. อเคอ่ามาเลยอ่าช่วงวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดเจ้าขาพะอาจารย์ลูกก็รักษาสิ้นแปะอยู่ที่บ้านนะเจ้าค่ะตอนแรกรักษาห้าวันแล้วก็นึกถึงที่พระอาจารย์แนะนำว่าให้เพิ่ม อ, อีกสองวันลูกก็เลยรักษาต่อมาอีกสองวันให้ได้เจ็ดวันอย่างนี้เจ้าค่ะแล้วก็ วันที่สี่เจ้าค่ะพระอาจารย์ลูกเห็นญาติธรรมหนท่านลองเนสชิกใช่ไหมเจ้าค่ะได้ถือเนสชิกกันลูกก็เลยลองโ ด, ดนความง่วงเนาะเจ้าค่ะพระอาจารย์สติหายหมดเลยเจ้าค่ะถ้าเราไม่เคยอาจจะทำไปได้ใหม่ๆอาจจะไม่ถูกจริญกับเราก็ได้ไม่จําเป็นเต้องทํำทุกคนอืใช้อุดรหารแทนกันนะบางคนถูกเจริญกับการอุดรหารมากกว่านัอนนะ เพราว่าหัวลงอย่างเดียวเลยจ้าค่ะพระอาจารย์ช่วงที่ลองฟอกฟงม่วงมาปุกหัวจะลงก่อนเลยแล้วแบบเหมือนเดินไปก็หลับเซชนตู้ด้านข้างเมื่อชนนักเราออาหารดยถ้าอดอาหารอาจจะทําให้ไม่ง่วงไปนอาจจะได้สัดชิ้นได้จ้าค่ะพรอาจารย์พะอาจารย์ก็ช่วงเข้าภาษาลูกงดหลังเที่ยงมาตลอดแล้วก็ลองแค่มือเดียวจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าฉันเฉพาะเอ้ยฉัน อ่าทานข้ามื้อเดียวเจ้าค่ะพระอาจารย์แต่ว่าทานให้เต็มที่เหมือนที่พระอาจารย์เทศวันนี้เจ้าค่ะแล้วก็น้ำมันเจีมันเต็มถังไปเลยไม่ต้องกาค่รแต่มีวันนี้หลุดไปหน่อยหนึ่งเจ้าข่าพอดีกินเสร็จปุ๊บแล้วทีนี้ไปคุยกับพี่แมวเสร็จปุ๊บกลับมาแล้วมีขนมแล้วอยากกินก็เลยไปหยิบขนมแต่ไม่ได้ไม่ได้เลยริงนะเจ้าข่าพระอาจารย์นะคะแต่เหมือนกับว่า ถ้าถ้าเกิดว่ากระเพาะเรากลับได้แล้วก็อย่างนี้ไปเลยได้ใช่ไหมจ๊ะค ร, รับอาจารยก็คือ ไ, ไม่ตึงเราลดต้นผวอนไปไเลยจ้าค่ะพระปฏิบัติท่านกาชันเมื่อเดียวเราทดลองกุบอาจารย์ตาท่า น, นจัดไมื่เดียวท่านพระปาาพระพุทธเจ้า ก, ก็ชันเมื่อเดียวอ <c oughs> อย่างอาจารย์รบกวนถามนี่นึ่งจ้าค่ะก็คือ ถ้าถ้าอย่างกินบังทีกินน้อยเนี่ยเหมือนลูกกินเมื่อเดียวอย่างนี้ใช่ไหมเจ้าคะก็คืออยบางทีการขับถ่ายอย่างนี้เจ้าคะก็คืออย่างอาจจะสองวันแล้วก็เราใช่ไม่เป็นไรก็มันไม่มีอาหารจะถ่ายมันไม่มีอาหารจะถ่ายก็ต้องน้อยมันมีอาหารเยอะขึ้นจะได้มีกำลังให้มันออกมามันไม่ถ่ายก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะมันมีไม่ต้องกลัวจะทํางผูกอะไรไม่ไม่ไม่ไม่เป็น มันกําลังอัดมันไม่ไอต้องรอให้กินทั้งสองสามวันกว่านันเรค่อยอัดมีน้ําหนักที่จะผลักมันออกมาได้เจ้าค่ะงั้นก็จะจะลองวิธีนี้ไปเรื่อยๆก่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เพราะว่าเหมือนกับว่ากระเพาะปรับได้แล้วเจ้าค่ะตอนนี้อื<ม>แต่ว่าช่วงช่วงเงยน็นๆข้ามข้ามก็จะมีอาการหิวแต่ว่าเราคือเหมือนมันชินไปเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์อืมันช่วยการนอนไม่ทําให้เกลียดการไม่ทําให้ม่วเงางมางนอน <c oughs> จะมีถ้าช่วงเช้าทานทานเยอะเนี่ยจะมีเวลาฟังธรรมพาจารย์เทศนาคุติไปาสองเจ้าค่ะพาจารย์จะชอบง่วงนอนหรือว่ารูปเต็มถังเยอะไปหรือเปล่าไม่รู้เ้องลดลงมาหน่อยใช่ไหมเจ้าค่ะพิจารย์่ายจะลถที่ันกินพอมันดับความหิวก็พออยากกินให้มันอิ่มพอรู้สึกว่าไม่หิวแล้วก็หยุดกินแล้วก็ดื่มน้ำเข้าไปแทนให้มันอิ่มแทนอิ่มด้วยน้ํา เดี๋ยนี้มันก็หายมันก็จะไม่ง่วงเดี๋ยวจะลองดูเจ้าค่ะแล้วก็ ร, รับกันว่าที่อาจารย์นะจ้าค่ะก็คือลูกจะพยายามให้สี้นแปดจากอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นนะอาทิตย์ละสองวันเจ้าค่ะอัน<ม>ก็อาทิตย์นี้ก็ทําไปแล้ววันที่เจ็ดต่อไปเลยเลยที่ะอาดอันนี้ก็ขอนนที่อาจารย์วันที่ทสะดวกวันที่เราไม่ต้องทำงาน อันนี้ไม่มีคําถามแล้วจ้าค่ะครับพราะว่าคุณไม่ใช่อันนี้อยู่ที่ภูเก็ตเหอลูกใช่ไหมเจ้าค่ะอือยู่ภูเก็ตจ้าค่ะแต่ว่าที่บ้านเกิดอยู่หน้าเจ้าค่ะคอาจารย์วันที่วันนี้ที่ทำว่าเราฟังผ่านถ่ายถ่ายทอดสดใช่ไหมใช่เจ้าค่ะก็จะติดตามฟังทาง youtube แล้วก็อ่าคาจารย์ ถ้าเฟซบุ๊กเจ้าค่ะเมื่อก่อนลูกจะเข้าเฟซบุ๊กแล้วก็อ่านธรามะจากพระอาจารย์ใช่ไหมคะพอช่วงทีศิลแปดไม่แอบเข้าไปดูเหมือนกันแต่ว่าวันทีไม่ได้กดไลค์อะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่เป็นไรเราไม่ได้สนใจไลค์แชร์อะไรพราะเราไม่ได้หากินไม่ได้หาโฆษณาอะไรก็รู้สึกว่าอพอพอเราช่วงที่ลูกศิลแปดใช่ไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์พอเราไม่ได้ออกไปรับรู้อะไรเนี่ยทุกน้อยลงมากเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์ใช่ควม เขาเดือดร้อนกันเมืองกันเขช่วงนั้นปุดๆๆกันลูกเราบอกดาวไปเข้ามาเผาเราเราไม่รู้สึก เ, กอเจอพระเจ้าบอก <c oughs> ลูปเสียงเดียวนี่เปเหมือนไฟเนี่ยาวเข้ามาเผาเราเผาด้วยความโลภเผาด้วยความโกรธพอเห็นแล้วก็โกรธเห็นแล้วก็โลภก็กร้อนกันอย่าไปเอาเข้ามาเผาเราเลยไอ้ลูกที่ทําให้ใจเย็นไม่ไม่เอาเอาสุภาเข้ามาเห็นกันดีว่ารูปอสุภาอยูเข้ามาจะทําให้ใจใจสงบ ขอบพระคุณเจ้าค่ะขอพระาจารย์่านกทีเดค่ะอพระอาจารย์จ้ค่ะนิดนึงเจ้าค่ะเพิ่งผ่านวาเกดมาไม่กี่วันเจ้าค่ะพระอจารู้ว่าข้าขอแต่ลูกก็อยากขอเจ้าค่ะขอให้วันไม่กินุันเดย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ขอใา้จรยออย่าวันไม่เกิดนะขาให้ได้ชาตินี้แหละชาสุดท้ายขอชาติสุดท้ายเลยเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้ค่ะเกิดแล้วเป็นทุกข์ไปเกิดทาไมกัน ไม่อยากเกิแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์พรนต้องตัดตานหาความอยากให้หมดไปจะพยายามเจ้าค่ ะ, ค ะ, คะโอเคสาธุาาาคุณหญิงวิร e ัยพรรัชมทนตร์สายสองกลับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมาฟังธรรมพระอาจารย์ค่ะปฏิบัติบูชาอยู่ประจาค่ะพระอาจารย์โอเคสาธุค่ะพระอาจารย์ใครที่คุณเองเชียงรายวันนี้ ปาประจับตัวมาแล้วการนมัสการพระอาจารย์ครับอือวันนี้เข้ามากราบพระอาจารย์ครับไม่มีคําถามครับพระอาจารย์ก็วันนี้ถือได้ใช่ไหมครับถือครับวันนี้ถือครับมันพระครับพระอาจารย์ครับไม่นอนในคืนนี้ครับผมไม่นอนครับไม่นอนตอนที่สว่างแล้วเลยไม่นอนกลางวันก็ไม่นอนต่อเลยไม่ต้องนอนก็อ ก็ไม่นอนนะฮะอาจจะมีแบบนี้มีซะบ้างมีบ้างครับครับแต่แต่ว่าแต่ว่าจะนั่งนั่งนั่งไว้ครับอาจารย์มีนั่งมบนกต๊ะบางทีก็หลับไปเหมือนกันนะครับอาจารย์ครก็ปฏิบัติทั้งวันทั้งคืนยใช่ไหมเนี่ยไม่มีงานทำก็ปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนเลยก็ก็กลางวันก็มีมีมีอ่างครับอาจารย์แต่ถ้าถ้าว่างก็ก็ก็นั่งอยู่แต่บางวันก็มีมีมีงานอยู่ครับอาจารย์ อก็มีเวกน้อยครับในตอนิสารเช็กก็ไม่ง่วงก็ก็มันก็มีง่วงอยู่ครับอาจารย์แต่ก็มันก็รู้รู้สึกตัวครับอาจารย์รู้สึกตัวเร็วกว่าก็พักบ้างหลับบ้างหลังจากในสารเช็กเสร็จก็เจ้าแล้วก็หลับบ้างครับก็ครับผก็บางบางบางเช้าก็มีอยู่ครับก็แต่งีบสักครึ่งชั่วโมงครับอาจารย์ครับผมไม่ถึงกับหลับหลับยาวหลายชั่วโมง อ๋อไม่ไม่คราประมาณครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงอรมาเนี้ครับอาจารย์ไม่ไม่ยาวหรอกครับเพราะมีต้องตื่นตื่นมาอยู่แล้วครับอาจารย์มองไม่ค่อยคุ้นกับการนอนตอนเช้าครับเพราะผมก็ตื่นปกติก็ตื่นตีสามตีสามสี่สี่ทุ่มมาปฏิบัติแล้วครับอาจารย์ครับผมโอเคงั้นก็ในสัชีก็ไม่ลาบากมากก็ไม่ไม่เลยนอนเพียงไม่กี่ชั่วโมงครับอาารยบุมคาบบใช่ครับ ก็พยายามทาไปเรื่อยๆพยายามฝึกสติให้มากๆนำจิาให้สงบง่ายสงบเร็วผมครับผมก็ขอใหท่านถานพ่ะอาจารย์ผิงแรงรับผมเข้ามากราบลูกพรฟังพระจนะครับสาธุไปอุดรธานีขึ้นแนนอาจาร์มาสักครค่ะอาจารย์วันนี้ได้มีคาถามค่ะโอเคเงินไปที่คุณสุพัฒนา บอวินชนเมลีก่าแล้วมาส ก, การพระอาจารย์แล้วค่ะเข้ามากราบพระอาจารย์แล้วก็มาร่วมฟังธรรมแล้ ว, ค, วค่ะอตอนนี้ตอนนี้เริ่มเริ่มเออ่เหมือนเพียรมากขึ้นแล้วค่ะพระอาจารย์อืกสมาธิมากขึ้นแล้วค่ะจะได้่าเก้าวหน้าขึ้นแล้วความเป็นมากขึ้นมาเก้าวหน้าขึ้นความเพียรถดถอยก็ถอยหลัง เจ้าค่ะวิ่งวิ่งตามอาจารย์ให้ได้จ้ะค่ะอาจารย์ได้คึงย้อนย้อนวันดีอยู่ที่ไหนหนึ่งล้างการรัชกาลเจ้าค่ะอาจารย์อยู่กรุงเทพเจ้าค่ะที่เพิ่งลงเสามาที่สามีมารับกลับอะค่ะพระอาจารย์อ๋อวันก่อนที่ถ่ายรูปกันค่ะค่ะใช่ค่ะพะอาจารย์ค่ะ พระอาจารย์ค่ะคือเมื่อสักครู่หนูได้ยินที่พระอาจารย์บอกว่าเราถือศีลแปดได้ไม่ต้องเป็นวันพระก็ได้วันที่เราสะดวกได้ช่ได้ทุกวันเนี่ยช่วได้ทุกวันถ้าเราสามารถรักษาได้ก็ดีมันช่วยปราบกิเลสมันเป็นมันกับว่าการไม่ให้กิเลสมันออกมาเพ่งผ่านพอดีวันนี้หนูทำงานเลยเวลาคับพระอาจารย์ไปทานมื้อเที่ยงก็ เที่ยงสิบห้าเข้าไปแล้วคะ่ะอาจารย์แต่รู้สึกไม่ค่อยถ้าเกินนิดหน่อยหน่อยมันเป็นเรื่องความจาเป็นนิดนอค่ะแล้วพอดีวันนี้ก็ทำงานกับกับทีมที่มาจากต่างประเทศอะค่ะที่มาทำงานวิจัยด้วยกันแล้วอยู่ดีเขาก็ถามเขาเป็นคนสวิสค่ะอาจารย์แต่ว่าเขาก็ถามเรื่องวิธีพุทขึ้นมาพอดีหนูกก็แค่พูดแล้วหนูต้องนีบทานข้าว ก็เลยอธิบายเรื่องสิ่งแปกันแล้วเขาก็เริ่มถามเยอะขึ้นแล้วเขาก็บอกว่าจริงๆเขาสนใจว่าเพราะตอนนี้โลกมันล้ำไปหมดแล้ววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแต่เขารู้สึกว่าทำไมเขายังควบคุมใจเขาไม่ได้หนูก็เลยเปิดหนูก็เลยเปิดยทูบที่พารอาจารย์ตอบคำถามวันอังคารให้เขาดูอะค่ะเขาว่าสนใจหนูก็ส่งลิงก์ให้เขา ไเขาบอกเอ้ยเขาเขาดูตื่นเต้นค่ะพระอาจารย์เป็นเป็น<ม>เป็นนักวิจัยเหมือนกันค่ะผู้ชายเขาบอกว่าแต่เขาจะขอไปนั่งดูมั่งหนูก็บอกว่าเนี่ยถามพระอาจารย์แล้วกันเพราะภาษาหนูถ้าเกิดพันทางเขาก็ยิ่งไม่ได้คข้าไปใหญ่ค่ะพอาจารย์แล้วก็อ่าหลังจากลงมาจากเขาค่ะพาอาจารย์ก็อย่างที่พาอาจารย์บอกเลยว่าพอพอไม่ได้ฝึกสติ ร, ร, ระหว่างวันเจออะไรเยอะแยะมากมายพอกลับมามานั่งก็ลาบาก จริงๆค่ะก็ต้อง<ม>พยายามฝึกต่อไปค่ะแล้วก็แล้วก็มีพัฒนาการค่ะการการขึ้นเขาครั้งนี้หนูเพิ่งรู้ว่าทั้งชีวิตที่ผ่านมาคือความฟุ้งทางนั้นด้วยค่ะมไม่ไม่เคยปฏิบัติให้ตัวเองเห็นว่าตัวเองฟุ้งค่ะแต่ว่าอ่าพอวันที่สามที่สี่ค่ะอาจารย์หลังจากวันที่หนึ่งที่สองแล้วที่ทรมารสุดๆพอวันที่สามที่สี่ก็เริ่มเห็น ความฟุง้งที่กําลังมาพอดีคะ่ะที่เราให้พาร์จันฟังหลัจงจากนั้นกลับมาก็ยังไม่ได้ทําหนักๆอีกเลยคะ่ะพอดียังเวลาไม่ได้เจ้าคะ่ะแต่ก็จะพยายามค่ะพาร์จันก็ระวังนะมันจะก็้ยไหยไปสติมันจะน้อยลงไปเรื่อ ย, อ ย, อ ย, อ ย, อยเรือเดถึงเวลาก็ต้องกลับ <Durch the. S 1> มาชันเหมือนแบตเตอรี่ตอนนี้กำลังใช้แบตเตอรี่กำลังใช้สติเไม่ได้สั่ง ไม่ไหวค่ะหนูหจำความทรมานวันที่หนึ่งวนที่สองได้ค่ะจนทรมานมันเจ็บไปทั้งตัวแล้วมันก็สับสนนะคะว่าเรากำลังฝันหรืออะไรเพราะว่ารู้สึกตัวอีกทีเราก็เป็นส่วนหนึ่งของเรื่องนั้นไปแล้วนะคะอาจารย์จนวันที่สามที่สี่ค่ะถึงได้ทันว่าเห็นมันแย่เข้ามาแล้วค่ะก็ต้องพยายามมันมาชาร์จแบตบ่อย อ้าเราไม่สามารถรักษาไว้ได้ในขณะที่เราทำ ง, งานอยู่ก็ต้องหาเวลาวันหยุดวันอะไรมาชาญแบบกันได้จ้ะค่ะอ า, าจารย์พระพุทธเจ้าถึงกําหนดวันพระเนี่ยวันพระมันให้เราหยุดทํางานทำโลกแล้วก็มาทํางานทางธรรมมาชาญแบบนักมารักษาเสียงมาภาวนาจเจริญสติกันได้จ้าค่ะอาจารย์ก็ ขอบพรคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์แล้วก็เรือสุดท้ายอันนี้ไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติแค่รู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่รู้สึกว่าโชคดีจังเลยที่เรารู้ภาษาไทยค่ะเพราะวันนี้เวลาอธิบายกับเขาเรารู้สึกว่ายากจังค่ะในการที่จะให้ฝรั่งมาเข้าใจในสิ่งที่เราเข้าใจจากเป็นภาษาไทยจากครูบาอาจารย์ตัวเองอะค่ะรู้สึกว่าตัวเองโชคดีแล้วก็ความที่พาอาจารย์บอกให้อ่านหนังสือด้วยหนูก็เลยเข้าไปส่วนหนังสือไปหาหนังสือปรากฏว่าไม่มีเลยเจ้าค่ะพรอาจารย์ ในเชลของชั้นหนังสือที่เขียนว่าศาสนามีแต่เรื่องดูดวงเรื่องอะไรก็ไม่รู้จ้ะค่ะแล้วก็ภาษาอังกฤษ ย, ยิ่งไม่มีเข้าไปใหญ่เลยก็เลยรู้สึกว่าเดี๋ยวต้องไปหาวิธีไปคงต้องอา่านเป็น PDF ไฟล์ไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่ก็ใช้การฟังไปก่อ น, นะคะ่ะจริงหนูชอบอ่านเป็นตำรามากกว่าต้องไปหาหนังสือวิธีนะคะอาจารย์หนังสืออะไรนะหนังสืออะไร วิธีภาวนาที่ถูกต้องของหลวงตามหาวัวค่ะเล่ม น, นี้เป็นอยู่ในเรือนที่สองที่หนูไปพักแล้วหนูอ่านจบจบไปรอบหนึ่งกับรอบกว่ากว่าค่ะอาจารย์เราชอบมากจนมานั่งหา YouTube ตามนะคะว่าบทเนี้ยอยู่ใน YouTube ไหนแล้วก็เซฟ YouTube เก็บไว้เอาไปฟังซัำได้ไหมพบหรือเปล่าพบเจ้าค่ะอาจาร ย, เย์เพียงแค่ว่าหนูติดชอบอ่าน เพราะว่าชอบขี่ก็ลองเข้าไปที่เว็บไซต์ของน้องตาหนึ่งหนึ่งน้องตา com ยัมีหนังสือของน้องตาทุกเล่มรเาสามารถดาวน์โหลดเป็น pdf เข้ามาอ่านได้ะเชอวรู้จักเว็บของน้องตาเลยน้องตา com l u a เห็นเว็บเวบค่ะวันที่ค่ะน้องตา com ก็เข้าไปที่หนังสือจะมีหนังสือต่างๆของน้องตา ที่เราสามารถดาวน์โหลดอ่านได้เจ้าค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวหนูไปหาดูเจ้าค่ะขอบพระคุณเจ้าค่ะพระอาจารย์ค่ะาบพัไปที่คุณมาลีวุฒาการเป็นยังไงบ้างวันเสาร์นี้ตหรวงจะทำอะไรพิเศษหรือเปล่าก็มีพิเศษค่ะแล้วก็หนูหนูเริ่มปรับเวลาทํางานค่ะหลวงพกลับบ้านให้เร็วขึ้นแล้วก็ ทำธุระเสร็จก็เริ่มปฏิบัติเลยจนถึงสี่ทุ่มาะค่ะหลวงพ่อแล้วก็อาจจะเลยบ้างค่ะแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็ช่วงตีสามถึงตีห้าประมาณตีห้าค่ะหลวงพ่อแล้วก็แล้วก็อีกช่วงหนึ่งไปถึงออฟฟิกก็เจ็ดมง้าถึงเกือบแปดโมงครึ่งค่ะหลวงพ่อแล้วเวลาทำงานก็พยายามให้มีสติกับงานค่ะหลวงพ่อแลอ้วก็เวลา กลับมาปฏิบัติอย่างกลับมาถึงบ้านเวลาสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้ยค่ะหลวงพ่อมันมันจะเข้าสมาธิตลอดหรือว่าเวลาหนูฟังพระเทศฟังหลวงพ่อเทศได้ยินเสียงก็จะเข้าสมาธิตลอดอย่างเนี้ยมันได้ใช่ไหมคะหลวงพ่อก็ดีแสดงว่าเราไม่ต้องบังคับมันมันชินแล้วมันอยากจะเข้าสมาธิมันค่ะแล้วแล้วก็อวันจันทร์อาทิตย์ต้นอาทิตย์ สัปดาห์เนี้ยหนูหนูนั่งปฏิบัติแล้วหนูรู้สึกว่ามันมีคุณภาพมากค่ะหลอมันสุขใจมันสบายใจมันบอกไม่ถูกคือหนูหนูรู้สึกว่าของเป็นแบบนี้ใช่ไหมที่แบบสมาธิที่มันถูกต้องมันเป็นสมาธิธิมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคือมันมันมันแน่นมันความคิดเข้ามาไม่ได้ค่ะหลวงพ่อแล้วก็ ไม่สามารถจะออกช่วงที่มันอยู่ในสมาธิมันมันไม่ออกถึงถึงเราจะออกมันก็ออกไปได้ค่ะหลวงพ่อจนรู้สึกว่าเวทนาหนูก็ไม่มีคือมันมันสบายไปหมดเลยะค่ะหลวงพ่อรู้สึกทําให้มันมีความสุขอย่างมากค่ะหลวงพ่อแล้วแล้วในจิตมันก็ออกมาในจิตเนี่ยมันมันมีคําตอบว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ ไม่อยากทําบาปไม่อยากทําความชั่วอะไรเลยค่ะเพราะมันสบายใจมันบอกไปถูกเลยค่ะพ<ด>มีแต่ความสบายใจอเมื่อเราไม่มีความอยากความชั่วมันแล้วเราก็จะไม่ทํามันที่ทําความชั่วส่วนใหญ่ก็มีความอยากเมื่ออยากแล้วทํ า, <c oughs> าทความดีไม่ได้ <c oughs> ก็ต้องทําความชั่วเพื่ะจะได้ตามความอยากค่ะ <c oughs> แล้วก็มี ถ้ามีช่วงเวลาหนูจะเข้าวัดอย่างเสาร์นี้เดี๋ยวหนูก็ไปอยู่วัดอีกค่ะหลวงพอ่อแล้วมันมันทําให้หนูมีกําลังใจที่ที่จะทําแล้วก็รู้สึกว่าหนูได้เข้ามาอยู่ในเส้นทางที่ถูกต้องแล้วก็เริ่มก้าวเดินก้าวเดินแล้วค่ะหลวงพอ่อเมื่อมีความมั่นใจในในทางในหลวงแล้วค่ะหลวงพอ่อทำสายกลางมาชีวารปฏิปฏทาการศีลภาวนา <c oughs> ปฏิบัติทุกวันค่ะก็ถวายทานทุกวันไม่ได้ขาดค่ะหลวงพอ่อแล้วแล้วเห็ น, นเห็นอะไรก็อยากจะช่วอยากจะทำบุญอะไรแบบนี้ค่ะหลวงพอ่อมันรู้สึกว่ามันจิตใจมันมีความเมตตาใช่ค่ะมเมตตากรุณาค่ะแล้วมีเวลาอย่างก่อนเข้าสู่มาหนูยังเข้าไม่ได้ประมาณครึ่งชั่วโมงหนูก็นั่งก็ได้ค่ะหลวงพอ่อคือปฏิบัติ เก็บหมดทุกทุกเวลาที่หนูมีค่ะอย่าลืมคิดทางบัญญาบ้างก็ได้นะคิดไตารักบ้างก็ได้อันนี้จะไม่เทีย่ยวควบคุมบังคับไม่ได้ห้าไม่ได้ใป็ตัวตนแล้วเมื่อกี้หนูได้ยินที่หนูพ่อสอนเรื่องเอาไฟเผาร่างกายเดี๋ยวหนูก็จะไปลองปฏิบัติด้วยค่ะ<อ> ว่าจะผ่านเวทนาเนี้ยได้นั้นนะปล่อยเวทนามันเผาร่างกายไปให้มันจนถ้ร่างกายนี้กลายเป็นคทเท่าพิฐานกันเองค่ะแล้วแล้วช่วงที่เราปฏิบัติสมาธิอยู่อะคะ่ะหลวงพ่อมันมีความสุขอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดเหมือนขนลุกอย่างเงี้ยมันมันมันปิติเขเรียกปิติถ้าขนลุกเขาเรียกปิติถือว่าเป็นปกติใช่ไหมครับวงพ่อบางทีก็เกิดบางทีก็ไม่เกิด ไ่ออย่าเงี้อย่าไปยึดติดกับมันบางคนเคยคเกิดแล้วอยากให้มันเกิดอีกไม่เกิดก็ได้ค่ะแล้วมันเกิดก็ดีมันไม่เกิดก็โอเคไม่เป็นไรแล้วสิ่งที่าต้องการก็คือความนิ่งความว่างผู้เบกขาความเฉยค่ะแล้วการปฏิบัติภาวนาทุกครั้งมันควรที่จะต้องได้ความสุขความสบายใจความว่างแบบนี้ทุกครั้งหรือเปล่าคะถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้แสดงว่าวันนั้นสติไม่ค่อยดี ถ้าได้ก็แสดงว่าสติเราดีวันทีก็วันทีก็ได้เร็วบางทีก็ได้ช้าบางทีแล้วแต่เรื่องราวที่ค้างอยู่ในใจมันมีมากมีน้อยด้วยวันที่เรามา น, น, นั่นอย่างอย่างสมมติช่วงช่วงที่เราจะนั่งปฏิบัติเนี้ยค่ะหลวงพ่อบางทีมันก็มีทั้งทุกทั้งเรื่องอะไรทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเปัญหาอะไรหลายอย่างแต่ว่า หนูหนูคิดบอกหนูจะคิดเหมือนเหมือนใช้ปัญญาหรือเปล่าหนูไม่แน่ใจหนูบอกว่าคือทุกไปหรืออะไรไปมันแก้ไขไม่ได้ให้ยอมรับแล้วให้ตัดตรงนี้ไปเลยค่ะหลวงพ่อมันตัดมันตัดขาดทุแล้วมันก็เข้าไปอยู่เป็นอนัตตาทุกอย่างมันเป็นอนัตตาเราควบคุมบังคับไม่ได้ค่ะแล้วพอพอตัดจากตรงนี้ได้หลว่าพ่อมันหลุดแล้วมันก็สบายใจแล้วมันก็ปฏิบัติแบบได้มังเอิญดูลอง ใช่ใช่ค่ะสมาธิได้ค่ะปัญญาอบรมสมาธิก่อนปัญญาทำใจให้ว่างก่อนว่างอยากเรื่องราวต่างๆแล้วเราก็ดูลมพุโทโธไปค่ะนี่ถูกต้องแล้วทุกอย่างที่ทำมาขอบพระคุณหลวงพ่อมากๆค่ะหลวงพ่ออ ย, อ, อย่าทำแต่สมาธิอย่างเดียวมีเวลาก็คิดถักปัญญาใช้ปัญญา แก้ความพุกขสร้างก็ได้แวลาเครียดกับเรื่องอะไรก็พิจารณา m e นตายรักไปให้มีมีทุกวันค่ะปัญหามีทุกวันแต่ก็พยายามใช้ปัญญาช่วยค่ะหลวงพ่ออย่าไปแบมันอย่าไปแบบมันปัญหามันก็อยู่ของมันนั่นแนะ่ะแก้<ช> ไ, ไแก้แก้ไได้ก็ไม่เป็นไรค่ะนี่ทำต่อไป ค่ะเดีย๋ยวเสาวนี้ก็ไปอยู่วัดวัดวัดป่าเหมือนเดิมค่ ะ, อะโอเคนะท่านนี้กอ่อนนะขอบพระคุณหลวงพ่อมากมากค่ ะ, ะสาธุาค่ะในไที่คุณปางว่าอะไรสีราชาสามยอ4สี่ยอ5ห้ยอ5ห้ายอดกับนรมัสการเจ้าค่ะลา น, นุษายังไม่ไปเลยไปวันพรุ่งนี้ค่ะตอนกลางคืนนั่งรดไปเลย ใช่ค่ะไปส่งน้องค่ะแล้วก็ช่วงที่ไปส่งก็ตกลงกันว่าเดี๋ยวจะไปเชียงใหม่ที่เนี้ยหนูหนูตั้งใจว่าหนูจะไปวัดของหลวงปู่แหวนก่อนนะคะแล้วก็ตอนไปขึ้นไปอุทยานนะคะจะไปนั่งสมาธิในป่าก็ปีกใช้ปีกใช้เวลาปีกวิเวกก่อนที่จะไปส่งเขาแล้วเขาก็อยู่กับพ่อเขาอ่ะก็ดีก็ดีทำได้ก็ดีค่ะมีมคําถามไหนะมลูกใช่ค่ะ เดินทางในจังว <laughs> ัสดิภาพนะไปดีมาดีสร้างการปลอดภัยโอเคเราไปที่ขอนแก่นอาจารย์สายทิมย์ยังไงอาจารย์ทิพย์ภาษาที้ถืออะไรบ้างยังไม่เปิดไม่อะไรเปิดไม่ก่อนโอเคค่ะพระอาจารย์กลับนล้วพรการพระอาจารย์เจ้าค่ะ ถือส<ม>ินแปดค่ะพระอาจารย์<ม>แต่ว่ามีมีสองวันเวลาทานข้าวเลื่อนไปหน่อยค่ะเพราะว่า<ม>ออกไปเป็นวิทยากรข้างนอกแล้วแล้วมันมันเลอะค่ะถ้ามันมีความจาเป็นก็ไม่เป็นไรล้วหน่อยงั้นงั้นๆก็งั้นก็เรื่องอาหารก็ยังไม่มีปัญหาค่ะพระอาจารย์<ม>ส่วนเรื่องเรื่อง youtube ก็คือไม่ดูแต่ว่ามีมีบ้างที่แบบตามันเลื่อนๆื่อนมา แล้วก็แล้วก็ดูนิดหน่อยค่ะพระอาจารย์ดูช้างนะคะก็บอกว่าช้างช้างที่แบบพระมาแล้วช้างเข้าไหว้แล้วก็เลยอยากเห็นว่าเป็นยังไงก็เลื่อนไปดูเฉพาะตรงนั้นแล้วก็เลื่อนออกอย่างนี้ก็ถือมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็เออเราอยากรู้เราอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็เลื่อนออกประมาณนี้ค่ะพระอาจารย์แล้วพอดูยูทูบน้อยลงสติมันก็ดีขึ้นค่ะพระอาจารย์ติดมันก็ ก็นิ่งขึ้นไม่ค่อยมีเรื่องอะไรนักค่ะค่ ะ, mm hmm. <laughs> คะแล้วก็มีวันหนึ่งลองอก่อนนอนค่ะพระอาจารย์เราลองคิดว่าจิตเราอยู่นอกร่างกายแล้วเราก็มองร่างกายว่าเออนี่มันก็เป็นเหมือ น, เ ป, น, เ, อนเป็นเหมือนหุ่นนะคะพระอาจารย์ mm hmm. แล้วพอตอนที่เราเราก็พัดมองไปแล้วก็แยกแยกร่างกายแยกเหมือนเป็นดินน้ำลมไฟอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์ แล้วก็พอตอนนอนมันหลับสนิทมากเลยค่ะไม่ไ ม, ไม่ฝันเลยค่ะพระอาจารย์เหมือน ห, หลับหลับไปด้วยความสงบมากๆนีะค่ะพระอาจารย <c oughs> ์ดีสติสติเราดีมากมันเลยก็กลุมความฝันได้อค่ะเป็นเป็นสองวันที่รู้สึกว่าพอเราเราวางจิตอย่างนี้แล้วมันมันเหมือนหลับได้ได้ได้ดีเลยค่ะพระอาจารย์ไม่ไม่ค่อยฝันไม่ค่อยวอกแวกอะไรเงี้ยค่ะอค่ะ แล้วก็มีมีมีกิเลสมา ก, กวนนิดนึงค่ะพระอาจารย์ทำงานกับเพื่อนแล้วก็เหมือนมีอาจจะมีอาาัตราตัวตนหรือเปล่าไม่แน่ใจคือเราทำงานแล้วเพื่อนไม่ทราบแ ล, แล้วเพื่อนก็แบบเหมือนแบบไปชมคนอื่นแต่ว่าเราเป็นคนทำงานเยอะแล้วก็รู้สึก หงุดหงิดงุดหงิดเป็นหนึ่งวันเราก็คิดได้ว่าเอเราจะหงุดหงิดทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เลยมาคิดได้ว่าจริงๆเนี่ยเราอยากให้เขาชมเราบ้างหรือว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยมาคิดได้ว่าอ๋อเป็นเป็นเราอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราเราเราอยากให้เขาเห็นอยากให้เขามาชื่นชมเราอะไรเงี้ยค่ะพระอาจารย์พอหลังจากนั้นก็ตัดเลยค่ะพระอาจารย์ก็ก็ไม่ไม่ไม่ได้หวังอะไรจากใครอีกแล้วค่ะแต่ว่าตอนนั้นก็รู้ว่า เหมือนตอนที่จิตเรากระวนกระวายใจเราก็รู้ว่ากระวนกระวายใจแต่ว่ามันเหมือนยังยังทําใจไม่ได้ใช้เวลา<ม>อยู่หนึ่งหนึ่งหนึ่งวันค่ะพระอาจารย์<ม>แล้วก็เหมือนแบบแ ต, ตอนนี้ก็เหมือนแบบโอเคงั้นถ้าเรื่องมาแบบเนี้ยเราไม่สนใจละค่ะพระอาจารย์เราไปสั่งเขไม่ได้ควบคุมนก็ไม่ได้ไม่จะชมไมจะด่าเราหรอก็ห้ามก็ไม่ได้ค่ะ<ๆ> เหมือนเราคาดหวังแล้วก็พอเหมือนแบบเหมือนเราทําแบบนี้แล้วเขาก็มาเหมือนมาว่าเราเราทําไม่ไม่ไม่ดีแต่จริงๆเรากําลังทาอยู่แล้วเขาไม่ทราบแล้วก็มาอ่าเหมือนเหมือนมันมาลบปนงานเราค่ะพระอาจารย์แล้วเราก็แบบแต่เราไม่ได้โต้โต้โต้เถียงเขานะคะแต่เราก็หงุดหงิดแต่ตอนหลังก็เลยก็เลยทําใจได้ว่าเราจะหวังให้ให้คนที่เป็นแบบเนี้ยอ่าจะทําทําดีกับเราแบบที่ที่เราอยากให้ไม่ได้ก็ก็เลยปล่อยค่ะพระอาจารย์เขเลยปล่อยใจต่อไปทุกอย่างก็คือ คิดว่าน่าจะทําใจได้ได้ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะอย่าพยายามเปลี่ยนคนอื่นเขาอย่าไปให้เขาทาอย่างนั้นทำนี้ให้กับเราค่ะไ <c oughs> หวเข้าไปเขาจะาทําอะไรก็ห้ามเขาไม่ได้ห <c oughs> ้ามใจเราจึงแบบอย่าไปหวังอะไรจากใครล้วจะไม่เสียใจอืจะ <c oughs> <ช>ไม่ผิดหวัง <c oughs> ค่ะเหมืนจริงๆเราหวังอะไรจากใครไม่ได้เลยนะคะพระอาจารย์แม้กระทั่งคนที่เรารักมากๆเราคิดว่าเรารักเขามากๆอะไรเงี้ย ถ้าฝึกเขาก็มีอะไรที่ทำให้เราแบบเสียใจแล้วก็เลยโอเคงั้นงั้นไม่หวังดีกว่าสบายใจกว่าแล้วก็อยู่กับความสงบไปเรื่อยๆดีกว่าเป็นสิ่งที่เราหวังได้คือความสงบในตัวเราเนี่ยแหะเที่พึ่งที่แท้จริงตอนนั้นเรนก็อนิจจมลอนอนิจจทุกข์คำหน้าตามใช่ค่ะพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกว่า ที่ที่สงบเป็นที่ที่ดีที่สุดค่ะพระอาจาร <laughs> ย์ค่อยพยายามอยู่กับความสงบให้ให้ได้มากๆค่ะนั่นแหละอัตตาเห็นตโนนาถึงตอ น, น, อนเป็นที่พื่งของตนคือความสงบเนี่ยเป็นที่พึ่งของเราค่ะแล้วก็ความอยากเดี๋ยวนี้เหมือนเหมือนมันนิ่งๆไม่ค่อยอยากได้อะไรเท่าไหร่แล้วค่ะพระอาจารย์ <laughs> แต่ก่อนอะไรก็อยากได้อยากอยาก อยากมีนู่นนี่นั่นอยากทําไปหมดอ ะ, อะไรเงี้ยเดีดยวดยเฉยๆค่ะพระอาจารย์มันมีสติมากมันมีสติมา ก, มมากใจสงบ ม, มากมันมเบิกขามันก็เกิดขึ้นบ้ากเองอืมค่ะหนูจะพยายามปฏิบัติให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปค่ะพระอาจารย์อ่สขขาสาธุค่ะนายคนนี้คุณมาริกาดาลาเทวามาริกาได้ยินไหม กับนำมัตการเจ้าขาพ้าจา์ค่ะก็ขอมารายงานการปฏิบัติต่อเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะเจ้าค่ะว่าพอาจารย์บอกว่าให้ไปพิจารณาดูที่ถามในเรื่องว่าเหตุที่เกิดขึ้นมาจากบุคคลอื่นนั้นจริงๆแล้วก็ตนเองนั่นแหละตัวเองเป็นตัวต้นเหตุนะะที่ว่า ว่าถือสินแปรตไม่ได้เพราะว่าคนมาบ้านเพราะขณะที่ว่าเราจะทานข้าวตอนเที่ยงเหมอกับพระอาจารย์ก็บอกว่าพิจารณาแล้วว่าเออก็สาเหตุมาจากเรานั่นแหละเพราะว่าไปประมาณสักที่สิบนาทีอะเที่ยงแล้วก็พอเพื่อนมาก็เราไม่ได้ทานข้าวแต่ว่ า, าตอนนั้นก็ก็เสียเวลาไปตรงนั้นนะคะแล้วก็ในเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานว่าพยายามที่จะดูในทวีปนะหรือว่าจาับโทรศัพท์ช่วงเช้าสักหนึ่งชั่วโมงช่วงบ่าย ช่วงเย็นสักหนึ่งชั่วโมงน้องนั้นจะจะฟังทำแต่วันนี้มันไปดูข่าวไปเสพข่าวมากคับพระอาจารย์ก็เลยไปเพิ่มตอนเที่ยงนะครับพระอาจารย์แต่ในการตักบาตรก็ช่วงเช้าก็แบบตักบาตร ท, ทางบุญอยู่เจ้าค่าะในจุดนี้ก็ไม่มีปัญหาตรงนี้ก็แล้วก็การปฏิบัติก็เจริญสติ ก็มาประมาณตีสามก็ลุกขึ้นนะคะอาจารย์นั่งสมาธิแล้วก็เดินจงกรมก่อนสุดเดิมจงกรมนั้นก็ดีขึ้นกว่าที่ที่ผ่านมาเจ้าค่ะก็ไม่มีปัญหาตรง น, นี้ก็พยายามอยู่เจ้าค่ะดีอันไหนดีก็ทําต่อไปอันไหนบกพร่องก็แก้ไขไปุเ <c oughs> จ้ า, าค่ะโอเคนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะไปที่ text cancel คุณยินดี สวัสดีค่ะท่านอาจารย์อเดวิดปากราบตอนนี้นอนยังไงฮะนอนใช่ไม่วงนี้ร้อนค่ะวันนี้ฝนตกค่ะค่อยชั่วหน่อยค่ะท่านอาจารย์ไปหน่อยค่ะค่ะก็ลูกก็เข้ามาร่วมฟังธรรมมาค่ะกับท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะคะค่ะและเดวิดก็เหมือนเดิมค่ะปากกาบค่าอาจารย์บอลช่องเต้ยก่อนไปทํางานนะคะแต่เมื่อวานก็ เอวานเขาบอกอาจารย์จะมานะพรุ่งนี้อะไรอย่างงี้ยกมซบกูค่ะท่านอาจารย์ลูขอว่คือท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงค่ะท่านอาจารย์นะงคุณเหงเนุงเหงยกอในะเก่านมสการค่ะพระอาจารย์มาอย่างไรมีอะไรหก็ยังปฏิบัติอยู่เจ้าค่ะตอนเช้า ก็ปฏิบัติได้ไม่มีปัญหาเจ้าค่ะแต่ว่าที่ตั้งเป้าไว้ห้าชั่วโมงยังจริงๆทำจริงๆมันจะได้ประมาณสี่ชั่วโมงเจ้าค่ะเพราะว่าช่วงถ้าจะปฏิบัติได้ห้าชั่วโมงจริงๆไอโยมอาจจะต้องตื่นให้เช้าขึ้นอีกเจ้าค่ะเพราะว่าพอตอนบ่ายและช่วงเย็นก็จะยุ่งกับครอบครัวก็จะไม่ไม่ค่อยมีเวลาที่จะมาแบบว่าสงบที่จะมาเดินจงกรมหรือแบบนั่งสมาธิได้เจ้าค่ะ จริงๆเห็นญาติธรรมหลายท่านได้อดอาหารได้ตื่นเชา้า่าขออนุโมทนานะคะจริงๆถ้าเกิดโยมสามารถอดอาหารหมความว่าลดอาหารเย็นได้น่าจะาปฏิบัติได้มากขึ้นเจ้าค่ะเพราะว่ากินดึกด้วยเจ้าค่ะบางทีแบบกินกับครอบครัวบางทีกินสองทุ่มอย่างเงี้ยเจ้าค่ะแล้วเวลานอนก็แบบนอนแบบยาวเลยเจ้าค่ะอิ่มอะไรอย่างเงี้ยเจ้าค่ะสบายติดสุขเจ้าค่ะมันก็เลยแบบ บางทีก็ตื่นสายแต่พอตื่นสายปั๊บโยมก็จะแบบบังคับตัวเองเจ้าค่ะว่าต้องปฏิบัติยังไงอ่ะต้องต้องสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิให้ได้ให้ครบสองชั่วโมงไม่อย่างนั้นก็จะแบบทั้งวันแล้วก็จะแบบพลาดไปไม่ได้ปฏิบัติเจ้าค่ะแต่จะพยายามให้มากขึ้นเจ้าค่ะมีอะไรไหมวันนี้จะถามอะไรบ้าอ่าไม่มีแล้วเจ้าค่ะรายงาน<ม><ม>การปฏิบัติเท่านี้เจ้าค่ะจะพยายามให้มากขึ้นเจ้าค่ะ โอเคสวัาธุพยายามทำให้มากขึ้นนะเจ้าค่ ะ, ะคุณกิติศักดิ์เชิญคุณกิติศักดิ์มาสการพระอาจารย์ครับสมายัางไงสบายดีเลยนะสวัสดีครับพระาาอาจารย์ครับ อ, อันนี้ปฏิบัต อยู่ทุกวันตอนนี้ก็สงบมากขึ้นเรื่อยๆครับพระอาจารย์แล้วก็นั่งบางทีก็สงบลึกมากบางทีก็สงบแบบไม่ลึกมากอันนี้ช่วงนี้มีเรื่องอเวทนาครับก็ได้อ่านหนังสือแล้วก็ฟังธรรม ะ, อะของพระอาจารย์แล้วก็มีอ่านหนังสือของหลวงตาเรื่องกายคตาใน ต, ตอนที่เรามีเวทนาเนี่ย มันมีสองทางใช่ไหมครับอาจารย์คือใช้สติสมถะเข้าไปเพื่อหยุดหรือว่าใช้ปัญญาเข้าไปตัดแต่ั้ยครับอาจารย์ใช่ใชในในตอนที่ใช้สติปัญญาเนี่ยที่หลวงตาบอกว่ามันเกิดเจ็บขึ้นตรงไหนพุ่งเข้าไปพิจารณามันเลยนะตอนนั้นเลยว่ามันเป็นมายังไง ค้นคว้าลึกลงไปอันนี้ก็คือเหมือนกับเราใช้ปัญญาเข้าไปค้นหามันใช่ไหมครับอาจารย์ก็อย่างที่ท่านพูดคุณต้องเข้าใจความหมายอย่าง น, นี้เราจะไม่ไม่สามารถรจะแปลให้คุณทราบได้คุณก็ต้องแล้วอย่างที่พระอาจารย์บอกว่าการนึกภาพให้มีไฟเผาที่เมื่อสักครู่ที่พระอาจารย์แนะนำเนี่ยครับอันนี้มันเป็นอุบายให้เรามีอะไรที่คิด นำไปใช่ไหมครับให้เราลืมความเจ็บ ห, หรือเปให้เราไม่ไปต้านความเจ็บไม่ให้ไปเกิดความอยากให้ความเจ็บหายไปให้เราเพลิดเพลนดูความเจ็บไปเหมือนดู y o u t u ู e ดูหนังไปอื ม, อมครับครับมันก็เป็นอุบายวิธีเหมือนการเพ่งกับเพ่งดูลมอต่เนื้ดูลมก็ดูล่างกายถึงไฟเอาไปครับอืม มีมีบางทีผมใช้เหมือนพิจารณาทางร่างกายทางอสุภะครับว่าเริ่มตั้งแต่กระดูกขาไล่ขึ้นมาท่อนบนท่อนล่างมาที่ตัวแล้วก็ไล่ไปแล้วก็เหมือนกับมีการผ่านตัวเองผ่านร่างกายให้เห็นข้างในแต่อันนี้ก็คือพิจารณาในช่วงที่มันสงบสงบนะครับ mm hmm. เหมือนมันเริ่มสงบไปแล้วอะครับ mm hmm. ก็เออ มันเหมือนแบบเราได้พิจารณาอสุภะด้วยใช่ไหมครับพอาจารย์ก็อยู่ที่เราเราเร า, เราเรามองแง่งเป็นอสุภะหรือเปล่าใช่ไหมครับถ้าเราเห็นว่ามันสวยงามมันก็ไม่ใช่อสุภะบางคนอาจจะซาดิสเน่เห็นการเป็นของสวยงามขึ้นมาอ๋อไม่ครับอืมได้เห็สลิงของช็อกโกแก S <S แล้วมันก็จะได้จำได้แม่นๆเวลาเราใช้ชีวิตในระหว่างวันมันจะนึกแล้วเห็นภาพได้ง่ายขึ้นนะครับก็ดูว่ามันเอามาระงับการบำาลงได้หรือเปล่าได้ครับครับก็ไม่มีอย่างอื่นแล้วครับใช่ครับอาจารย์ขอบพระคุณมากครับในที่แมรี่แลนด์เชลินทอนเชลินทอนร์ กับสมาชการพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้โยมก็เข้ามาร่วมรับฟังธรรมแล้วก็อตกลงจิบฝักมากราพระอาจารย์ด้วยค่ะสงสัยเดียวยึดตั้งยึดหลับยึดตั้งเมื่อกี้โยมต้องนะเพรว่าพอดีมีช่างค่ะตอนนี้โยมก็ปฏิบัติค่ะทัานพระอาจารย์รู้สึกว่าความกลัวลดลงมันมันโชว์ในความฝันนะคะ อ่าอย่างมีพวกเราฝันร้ายอย่างเงี้ยค่ะพระท่นานอาจารย์มีคงกระดูกบ้างมีศพซากศพต่างๆบ้างอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พิจารณาดูเราก็เฉยอะค่ะท่านพระอาจารย์แล้วก็นิ่งฝันว่ามีคนร้ายเราก็เราก็นิ่งยมก็เลยรู้สึกว่าเราน่าจะพัฒนาขึ้นอีกนิดนึงเรื่องความกลัวมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดเวลาเจอเหตุการณ์ต่างๆอะไรรู้สึกว่าตัวเอง กล้ามองมากขึ้นใช่เราต้องเอาไปใช้กับความจริงของจริงเจ้าค่ะผมก็พิจารณาตัวเองทุกวันว่าเอออาการ32เราเป็นอย่างนี้แล้วก็ในชีวิตประจําวันก็รู้สึกว่าสามารถจับความฟุ้งซ่านในชีวิตประจําวันได้เร็วขึ้นมากอะคะ่ะเพราะว่าอย่างมีเหตุการณ์ต่างๆที่มากระทบเราก็จับแล้วก็ปล่อยมันก็ดับอย่างเงี้ยคะ่ะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอื ลักษณะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะท่านอาจารย์สแสดงว่าการการปฏิบัติเรานเริ่มก้าวหน้าขึ้นติ๊ดเริ่มไหวขึ้นค่ะแต่เวลานั่งสมก็มองคือเราก็ไม่ไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจกับอาการใดๆทางร่างกายเราก็รู้สักแต่ว่ารู้อย่างเดียวคะ่ะท่านอาจารย์ก็ดูไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนกว่ากำลังสติหมดก็ถึงจะออกมาคะ่ะเพราะยังปฏิบัติทุก ว, วันอยู่ค่ะนี่จ้ะ ข้าค่านไม่มีอะไรเราข้าทัานพระอาจารย์เข้ามากราบการข้าอันนี้ว่าท่านถูกเจ้าข้าอันนี้เป็นปุ้ยป้ยลักซเซมเบิร์ตมีไฟอยู่ข้างหลังสองเข้ามามองไม่เห็นหน้าเลยมองไม่เห็นหรอคะเห็นว่าคะแสงค่ะแสงอกราบนมัสการเจ้าข้าพระอาจารย์อาจารย์สบายดีไหม แสงจากหน้าต่างนะคะพระอาจารย์ฮเปิดปิดไฟอ่าเนี่ยปิดไฟแล้วดูดีขึ้นไหมนะพระอาจารย์โยมก็ไม่มีอะไรหรอกโยมก็จะมากราบขอพลังจากพระอาจารย์เม่กี้ก็นั่งฟังพระอาจารย์ก็นั่งดูบทสวดมนต์ไปด้วยเออโยมก็เหมือนเดิมถือศีลเจ็ดสวดมนต์จริงจิตภาวนา นั่งไหว้พระนะคะและโยมก็ปฏิบัติเนี่ยตั้งจิตภาวนาว่าพรรษาเนี้ยเราไม่ได้แปดข้อเราก็ได้เจ็ดข้อแต่วันนี้ได้เต็มแปดข้อไม่เต็มหน้าะฮไม่ได้ออกนอกบ้านเพราะว่าจะอยากจะทําวันพระเนี่ยให้เป็นเป็นวันพิเศษพอมันเข้าพรรษาแล้วแล้วยมก็พยายามปฏิบัติให้ได้ดีที่สุดนะคะ พอโยมตั้งจิตภาวนาแล้วจะเดินตามพระพุทธเจ้าค่ะอืก็โยมก็ไม่มีบัญหาช่วงนี้จะเดินก้าวหน้าขึ้นไปตามลำแบบจ้าขอยมน้อมมารายงานตัวแล้วก็โยมน้อมบุญทั้งสิ้นทั้งหลายมาถวายพระอาจารย์เจ้าค่ะนะสาธุนะไม่แต่ขอบคุณพระอาจารย์ให้ลำไปรวยขึ้นนะโวยขึ้นบ่อย หวยเด็กข้อบรรดาแล้วนั่งคุยกัอาจารย์หวยทิพยหวยทิพยชื่อหวยทิพยนะครับการขอบพระคุณพระอาจารย์มากเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์ทัดขันแข็งแรงนะเจ้าค่ะจ้าช่วยจ้าโยมสวดมนต์ให้พระอาจารย์ทุกวันเลยเจ้าค่ะอืา ต่องสวดให้ตัวเราเองไม่ต้องมาสวนให้คนอื่นหรอกสวดมนต์เพื่อทําใจเราถึงเหมาะนะขอบคุณมากเจ้าค่ะยมติดต่อไปทางคุณพู่เลยนะคะไม่ใช่คุณหลาตอนนี้คุณลาแกบวชสามเดือนค่ทราบทราบค่ะแกบอกมาแล้วแล้วก็จะให้ไลน์คุณพู่มาติดต่อกันเรียบร้อยไม่มีปัญหา ใช่ๆค่ะขอบขอบขอบคุณค่ะเดี๋ยวขออนุญาตลงไปทำธุระเลยนะเจ้าค่ะได้ได้ตามสบายค่ะน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับพระอาจารย์และทุกท่านด้วยเจ้าค่ะไสาธุเจ้าค่ะตอนนั้นทั่นกี่โมงสี่สองแปดสองตอนนี้เอ่อสี่โมงสี่สิบห้าจะพระอาจารย์สี่ห้ามมงเย็นนันะค่ะอากาศไม่ค่อยจะดีด้วยพระอาจารย์อื้มร้อนเ่ย มันคึมๆอะ่ะเพราะว่ามันฝนมันตกมาเพิ่งจะมีเมื่อวานที่แดดออกแล้วฝนมันตกมาเมื่อสามวันก่อนตกตกต ก, ตกทุกวันเลยฮะโย ม, มรรก็เลยโอ้ไม่ได้ไ ป, ปไหนกนะ็ใช่<า>ดีด้วยี่ค่ะ่ะแล้วเป็นยังไงมั่งคะอากาศ แ, แย่ไมหมฮะที่นูน่นก็ไม่หรอกก็เหมือนเดิม กลาวันการ้อนกลางคื น, นคก็เมื่อเช้ายมไปนั่งสมาธิกับพระอาจารย์ไปฟังพระอาจารย์อเออยมเห็นพระอาจารย์เอ๊ะเป็นหวันหรือเปล่าเห็นพระอาจารย์เสียงแอะแอะแอะมันมีเสลิดเ <c oughs> ด็ดคอยอยู่ใช่ ค, คอยอยู่โ อ, อให้พระอาจารย์สุขภาพทัดขันแข็งแรงนะคะเจ้าคะ่ะจ้าสาธุธจ้าจ้าขอขอบคุณคะ่ะไม่รบกวนเวลาพระอาจารย์แล้วเจ้าคะ่ะจ้าคุณคุณหน่อยชยาเนี่ อ่าพูดได้นะเดี๋ยวเสียงสะท้อนเปิดสองจอจ้ะค่ะอก็เ ป, ปิดเสียงอย่างเดียวมันยากจ้ะค่ ะ, ะจ้ะค่ะอะ่ถ้ามีเวลาข อ, อนิดนึงนะ้ไคะขอแชร์ได้ไหมเจ้าค่ ะ, ะไม่มีคำถามาาคื อ, อรจริงๆฟังธรรมะพระอาจารย์แล้วทีนี้เหมือนกับหลายคนที่เข้ามาเนี่ยกลับตัวไม่ได้แล้วนะจ้าค่ะ เพราะว่าเข้ามาแล้วมันติดใจอ๋อไม่แน่หรอกมันติดเดียวเดือเดียวมากจะเบื่อก็ได้อย่างอื่นเบื่อมากกว่าเจ้าค่ะพอเราแบบถโทรศัพท์ไปแล้วแบบไปดูสิ่งที่แบบมันมันเหมือนใจเรามันทุกอ่ะเจ้าค่ะ ม, มันก็จะนอนก็ไม่ค่อยหลับดีเพราะว่าพวงนุ่นนี่นะั่นไม่มีามาอามไรเทากัธรรมะธรรมะมันของเย็ยน ใช่เจ้าค่ะน ข, นขนาดว่านอนพื้นยังหลับดีเลยเจ้าค่ะกิเลสตัวนี้แรงจริงเจ้าค่ะพยายามยึดเกาะติดธรรมะไปเรื่อยๆจะมีที่พึ่งทางใจใจเย็นใจจะสงบอ๋อพราจรเจ้าค่ะมีหน่อยมีคําถามหนึ่งนะเจ้าค่ะ <laughs> จะขออ่ลงรายละเอียดหน่อยในการเวทนาละเจ้าค่ะ <laughs> ถ้าเรานอนอยู่อย่อยางนี้คือ ต้อระบบไหมเจ้าคะว่าเราต้องนอนตะแคงนอนหงายนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับพระเจ้าสอนป้าให้นอนตะแคงขวาเพย่งแน่นนอนไม่นอนไม่มากนอนแบบมีสติถ้านอนแบบนอนนอนนอนหงายขึ้นอย่างเงี้ยมันมันนอนเป็นคนตายถ้านอนแบบคนตายถ้านอนแบบเตะแคงขวานี่เหมือนร่าจะสียเป็นเหมือนักรลอนที่อะพอ พอรู้สึกตัวขึ้นมาแลยลังเรืยกต่นขึ้นมาปฏิบัติต่อเลยแล้วค่ะก็นักปฏิบัติก็นอนตะแคงขวาได้ใช่ไหมคะได้ถ้าอยากจะนอนตะแคงขวาก็ได้ไม่เป็นการตีจนเสมอท่านไม่หรอกเป็นท่าเสียษะสายายนที่พระเจ้าสอนให้นักปฏิบัติไม่ว่าพระหรือฆราวาก็สามารถนํำมา ป, ปฏิบัติไดไ้อยากจะนอนแบบมีสติพอตื่นขึ้นมาสติก็จะตื่นขึ้นมาทันที แล้วก็จะลุกขึ้นง่ายกว่า น, นอน <c oughs> กว่าอ น, นอนง่ายก็บอกถ้านอนง่ายมันถ้าเหมือนคนคนนอนตายคนตายนอนค่ะก็วันนี้ฟังธรรมมาภาอาจารย์ที่จริงหน่อยเป็นไมเกนแล้วทีนี้เหมือนกับเลือดมันไม่เหมือนกับเลือดมันจะตีป่ะคะแล้วทีนี้กลายเป็นว่ามันมั น, ม, นมันเหมือนมันไม่โฟลทั่วล่างอะ่ะค่ะต้องพูดว่ายังไงไม่รู้ไอ้เมด แล้วทีนี้กลายเป็นว่าพอเข้าสมาธิอย่างที่พระอาจารย์บอกก็คือมันก็ไม่ปวดมันก็ไม่เจ็บพอออกจากสมาธิเรากินยาได้ไหมจ๊ะค่ะก็แล้วแต่ถ้าไม่กินได้จะดีกว่าถ้าไม่เพิ่งยาได้พึ่งธรรมะเพึ่งสติพึ่งปัญญาพิ่งว่ามันก็เป็นอย่างนี้แหละนี่มันไม่ค้นหลับอันอยู่กับมันไปดีกว่าอย่าไปอยากให้มันหายถ้าเราอยู่กับมันได้ต่อไปเราก็ไม่ต้องกินยา ยา ก, กินยาแล้วก็ไปติดยาต้องเพิ่มยาขึ้นมาขึ้นไปติดเจ้าค่ะเพราะว่ามันปวดแล้วมันมันต้องกินจริงๆเจ้าค่ะเพราะว่ามันปวดมากเน้นว่าตายเพราะเพราะยาที่เราไปติดนั่นไม<า>่ได้ตายเพราะอะไรอย่างนี้ได้ไหมค่ะเวลาไม่ได้กินยาก็จะทรมานจะทุกข์จะเครียดอืมคืออ่า กิเลสไม่รู้ว่ากิเลสหรือเปล่านะคะก็จะขึ้นมาหลอกว่าก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ตายกินยาตายกับตายอะไรก็เหมือนกันอยู่ดีเขาขึ้นเลยถ้าถ้ามันไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกินค่เดี๋ยวจะตายแล้วก็ไม่ต้อกินเป็นทาไมมือกิเลสมันหลอกเราแล้วก็ลองหลอกกลับหลอกกลับไปเลยครับถ้าไม่ถ้าไม่เป็นไรก็ไม่ต้องกินกินไปทําไ ม, าไมสําคัญคือไปเออออกกับกิเลสเอ อ, อ<ไ>ถ้าเราก็ตายอยู่ดีอขอให้ตายแบบไม่กินยานี่ว่ตายแบบกินยา ตายแบบไม่ติดยาหรือก็ตายแบบติดยาดอือเจ้าค่ะก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าต้องอยู่กับมันให้ได้ ม, มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนี่เราเราไปเปลี่ยนดินฟ้าอากาศได้ไหมวันนี้ถ้าเกิดฝนมันจะตกเราไปห้ามมันได้หรือไม่ได้แต่เราก็อยู่กับมันได้ใช่ไหมทำใจเฉยไปตกก็ตกไปวันนี้ออกไปข้างนอกนานก็อยู่บ้านไปเจ้าค่ะไปวุ่นวายไปกับมันทําไม เวลาจะมาเจอความเจ็บก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปอย่าไปสนใจอย่าไปอยากให้มันหายแล้วมันจะไม่ทรมานค่ะคือนิดลองเลยก็ค่ะที่<ะ>จริงถือศีนอย่างที่คือถ้าไม่พูดนี่คือก็คงไม่ถือนะกลัวผิดคําพูดมากเลยพภาษาพูดนี่นั่นแหละถ้าไม่พูดก <c oughs> ็ดีถ้ามันจะไปก็อย่าพูดไม่ไม่ใช่ละค่ะพูดห ม, หมายถึงว่า เราได้อย่างได้พูดกับอาจารย์ไว้แล้วว่ารับปากไว้แล้วว่าจะนั่นนะราไม่ต้องรับปากทาได้ก็ทำไปทําไม่ได้ก็ไม่ทําต้องทําไม่ได้จ้ะค่ะมาะขนาดนี้แล้วอ่าดีลองดูลองดูอยากทาได้ทําได้เราจะดีใจเพราะว่าเราชนะมันมันไม่ยอมแพ้แล้วค่ะมามาขนาดนี้แล้วมันหันหลังกลับไม่ได้แล้วจ้ะค่ะมันติดใจจริงๆจ้ะค่ะดี อาใช้ใช้สติเนี่ยพุโธพุโตบ่อยๆนะสติไปก็ได้เป็นอะไรที่ยากเหมือนที่ระอาจารย์บอกจริงๆเจ้าค่ะอืบางทีหลุดพอได้แล้วมันจะมีคุณประโยชน์เรามากพยายามพยายามสร้างสติขึ้นมาหลุดบ่อยเหมือนกันนะเจ้าค่ะจะเรียนสติเนี่ยหลุดบ่อยโอเคนะมีอะไรไหมไม่มีละจะค่ะจะพยายามให้ได้สู้ๆเจค่ะโอเค ยังไปความพยายามอยู่ที้ไหนความสำนเร็จนี้นะนะคะไปที่กุณจีบแล้วในบริเวณเหมือนกันซีโรสเบนเขาบางเมืองเดียวกัเนเขาบาข้างานำมัสการค่ะพระอาจารย์โยมอยู่อ๋อรอคเกเตอร์สเฟร์ก่ะคะ่ะก okay, <the> ็ห่างห่างจากออซิลินธอนประมาณไม่ถึงครึ่งชั่วโมงอ่ะค่ะพระอาจารย์ค่ะก็ก็ใกล้ๆกกันอยู่ค่ะ<ม>พระอาจารย์นะคะถ้าโยมมีคำถามค่ะสมมติถ้าพระอาจารย์บอกว่า เราเรานอนแล้วเราตื่นมาปุ๊บแวบแรกที่เราตื่นมาเราควรจะคิดถึงอะไรคะพุโทโธทันทีเลยนะคพุทโททันทีเลยนั่งพุทธโทรไปเรืเร่อยๆแล้วไม่ ม, มีการจําเป็นจะต้องคิดเรื่องอะไรก็อย่าปล่อ้มันคิดค่ะัก่อนนอนก็คือก่อนนอนในระหว่าง<ป>ที่เราปิดตาก็พุโทโธไ ป, ไปตื่นม า, น า, นานก็พุทธโทรไป ถ้าเราทําแบบนี้ความคิดที่มันแวบขึ้นมาถ้ามันไม่ความคิดที่มันไม่จําเป็นมันแวบขึ้นมามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆใช่ไหมเจ้าคะ่ะได้มันจะขึ้นมาไม่ได้ถ้าเราเป็นผูนโทอยู่ค่ะแล้วอโยมขอเราประสบการณ์อันนี้นิดหนึ่งได้ไหมคะพระอาจารย์คือวันก่อนโยมกับโยมไปช่วยเพื่อนขนของขนใบโหระพาที่สนามบินอะแล้วก็กลับบ้านแบบเกือบตีหนึ่งนะคะพระอาจารย์แล้วมันเป็นครั้งแรกที่โยมขับมาถนนเส้นนี้แล้ว อเผอญโยมค่ะหันมองไปดังขวาแบบขับมันแล้วก็ขับไปคนเดียวไม่มีใครเลยมีแต่โยมใช่ไหมคะก็อเผอญเห็นคนหนึ่งเขากำลังวิ่งอยู่อ่ะค่ะโยมก็เลยแบบใครจะมาวิ่งตีหนึ่งเนาะฝนก็ตกอะไรเงี้ยคือตอนเราขับไปอะเขาก็วิ่งสวนมาพอขับไปอีกนิดนึงไม่เกินหนึ่งนาะทีคะ่ะเขาก็วิ่งโยมว่าเป็นคนเดิมแต่แต่เขาก็วิ่งไปทางเดียวกับที่รถเราขับโยมก็เลยแบบไม่แน่ใจโ ย, ยมก็เลยแบบ ไปอุทิศบุญทาบุญให้เขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเจออย่างนี้เราควรจะวางใจแบบไหนคะพระอาจารย์คือถ้าเราก็ไม่แน่ใจว่าโยมไม่เคยเจออะไรแบบนี้ก็เลยแบบแล้วก็อย่าไปคิดอะไรก็เห็นสักแต่ว่าเห็นไปแล้วกันมันจะเป็นอะไรเมือ<า>่อเราไม่รู้ก็ไม่ต้องไปคิดว่าเป็นน<า>ู่นเป็นนี่ไปอ่าก็คือใช้สักแต่ว่าเห็นก็คือเหมือนที่พระอาจารย์เวลาเราความเวลาเรานั่งสมาธิไม่ว่าเราจะมีอะไรแว๊บมาก็สักแต่ว่าเห็นไปแบบนี้แล้วก็ปล่อยมันไปแล้วก็กลับมาที่ พุทโธของงราตกลบมาที่ลองเราไปค่ะแล้วเราควรจะทําบุญสมมุติถ้าเราคิดว่าอะไรเราก็ไม่ควรจะปรุงแต่งก็คือแล้วเราก็ไม่ต้องไปทําบุญอะไรองนี้อยากจะทําก็ถัำไปไม่อยากจะทําก็ไม่ต้องทำอ๋อค่ะเอาที่เำลงไปเราทํางไปทำเพื่อเขเขาจะได้ไม่มามาให้เราเห็น่งเอง โยมก็ไม่แน่ใจค่ะเพราะว่าไม่เคยขับรถตอนตีหนึ่งเลยแบบผ่านไม่ต้องทําอะไรกผ่านไปกจะเห็นก็เห็นก็จะเป็นอะไรก็เป็นไปพิจนาเป็นตายรักไปหน้าตาไปค่ะพยอมถ้าสมุติเขาเป็นสมมติถ้าเขาเป็นอีกอีกอีกจิตอีกภพหนึ่งค่ะโยมเลยแบบอ๋อทำให้เขาเข้าใจแล้วว่าแบบถ้าเขาต้องการมูลกับคุยกันก่อนเได้โยมต้องการโอ้ไม่นโยมกลัวเขาว่าว่าเดี๋ยวขับไปเขาน่ามาแห่ตรงกระจกโซนอย่างเนี้ย คื่ตอนนี้โยงขับไปอ่ะมันไม่มีอะไรมันนิ่งมากเลยค่ะเราเห็นแล้วก็ไม่ได้ใช่เราก็ไม่ได้ตกใจแต่ก็พอกลับมาถึงบ้านเราก็มาเริ่มปุงแ่งใช่ไม่ใช่ใช่ไปใช่เลบาไปแล้วเ็นบ้าไปแล้วเรารู้สึกเลยยังยังอะไรมสติแตกมาแล้เลยบไม่รู้เฉยเมาเห็นมาแล้วผ่านไปก็จบเกิดแล้วก็ดับไปผ่านไปแล้วเรายังมานั่งบ้ากับมันยู โยมก็นั่งขำใจเออนะเราแบบที่เราฝึกมาทั้งหมดมันหายไปหมดเลยอ่าไม่มีกติกาใจไม่มีโอเบตคาเะไร อ, อยู่เลยว่างเฉยไม่ลงเพราะมันเป็นประสบการณ์แรกไงคะอาจารย์โยมก็รู้สึตื่นเต้นเราเจออะไรมันเหมือนแบบว่าเฮ้ยเราไม่เคยเจอก็เหมือนเฮ้ยราอยากให้ตัวเราเองเจอไหมเนี่ยเราฝึกให้ดีต่อไปเวลาเจอจะเฉยเฉได้ อ๋อยังมีต่อไปอีกเหรอใช่มั น, ม, นมันต้องไปเจออะไรอยู่เรื่อยๆชีวิตเราไม่ใช่จะเหมันต้องมีอะไรที่เราจะต้องเจอที่ทําให้ใจเราทุกข์เราก็ต้องใช้อานิจจังทุกขังหน้าตาว่าแล้วค่ะแล้วําเพื่อนโยมมาแล้วเพื่อยูว่าไม่เป็นไรหรอกจีฟอยู่มีผมเยอะต่อให้ล่วงผมหัวกน ล, ล่วงไปกี่เส้นมันก็ยังมีผมอยู <laughs> ่ ยโอเคโอเคขอบคุณท okay, okay. ี่ปอบค่ะว่าอาจาย์่อมจะนำไปปฏิบัตินะคะเวลาเห็นอะไรจะไม่ตื่นเต้นตกใจค่ะอาจารย์ไม่รู้เฉยๆถ้าตื่นเต้นก็บุตรบุตรนะค่ะค่าวขอบคุณค่ะอาจารย์ออนุโมทนากทุกท่านและขอใอาจารย์มีธาดขันธ์ที่แข็งแรงนะเจ้าค่ะดีใจที่ได้คุยกับพระอาจารย์เสมอเจ้าค่ะไปทีคุณทยาทคุณยาทอไ งานมาการครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดมหาสารคามครับเพิ่งเดินทางมาครับก่อนผมนะผมตัดสกินเฮดครับตัสกินเฮดครับก็มาจากอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงพอเห็นว่าเป็นทรงผมคลาสสิกมาสองพันกว่าปีแล้วก็ตัดมาได้ประมาณเกือบสามปีครับก็ติดใจเลยดีบเพราะว่าไม่ต้องใ้หีไม่ต้องใช้หวีไม่ต้องใช้ ยาสาวผมอะไรนะครับดีทุกอย่างเลยครับก็เลยรู้ว่าอ๋สอสมบัตินี้มันอยู่มาได้สองพันกว่าปีนเนี่ยเพราะมันดีอย่างนี้นี่เองก็เลยติดใจครับเพราะว่าสมัยหนุ่มๆก็ที่ิดวิ่งไปอะไรไปมันมันก็ระหว่างทิ่ผ่านมาไม่ได้เข้าฟูดแต่ก็ทําแบบตลอดครับออผดชอบทำแบบครับอันนี้วันนี้เข้ามาเพราะว่ามีคําถามสามคำถามมันะครับเชิ่ คำถามแรกเป็นเรื่องของความหมายนะครับผมฟังพระผู้ใหญ่รูปหนึ่งพูดพุทธะวจนะอน า, าปานสติสตรมันมีคำสองคำย้ำอยู่เรื่อยก็คือคำว่าฝึกหักศึกษาจับสมมีมันต่างกันตรงไห น, น, นครับ<า>ว่าก็ลองไปเปิดด็กดูสิเราไม่รู้เหมือนกันอ๋อผมเปิดเรียบร้อยหมดล้า แต่ในความเข้าใจผมนะครับฝึกคาศึกษาเนี่ยอันนี้ผมคิดเองนะครับตัวคำศึกษาเนี่ยมันเหมือนกับผิวเผินเหมือนอ่านแล้วก็รู้แต่สำเนียงเนี่ยมันคือต้องที่เข้าไปในตวัวเลยเช่นยกตัวอย่างคาว่าสมาธิเมื่อก่อนผมก็อ่านสมาธิอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะมันเย็นมนันอย่างนี้นะอ๋อสุขสัญญไปอ๋อสมาธิเป็นแบบนี้ พอไปเรื่อยๆพอผมคิดถึงสมาธิปุ๊บมันปี๊ดขึ้นเลยอันนี้คือสมียงอันนี้กำลังเป่าเข้าใจองเองนะครับดีโอเคไม่มีปัญหาเลครับผมครับผมก็มอันนี้คําถามที่สองกันนะคะรับผมก็ศึกษาว่ากพารุทธเจ้าเนี่ยมองว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ผมก็พยายามฝึกหัด น, นะครับมองอะไรให้มันเป็นทุกข์เป็นทุกข์หมดทุกเรื่องเลยแต่ปรากฏว่าพอเห็นผมเหวยยเป็นทุกข์เนี่ย ผมไม่มีความรู้สึกว่าทุกข์ผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นเช่นนี้ของมันนะครับแต่มันกลับกลายเป็นว่าผมมีความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมาเลยซึ่งมันเป็นความรู้สึกที่แรงกว่าความรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์มากตรงอันนี้คือเรื่องเดียวกันเลยใช่ไหมครับเรื่องความเบื่อหน่ายคือมันอาจจะเป็นเรื่องของความคิดของเราเรายังไม่เจอของจริงเจอของจริงมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดก็ได้ อขิ้นถ้าเราเกไปหาหมอแล้วหมอบอกเป็นโรคเป็นอะไรนี้ครับเอ่าเรจะดูตอนนั้นว่าจะจะรู้สึกยังไงนั่นอาจะจะเห็นชัดขึ้นว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ก็มีไม่งานครับในชีวิตก็จําบังผมก็เลยมองว่าอะไรมันเบื่อไปหมดเพราะอย่างผมดูข่าวโอ้มานเบ่อหนาเราเชื่อมันไม่ได้หรอกว่ามันเป็นความคิดมันอาจจะคิดทํามความคิดมันอาจจะหลอกเราได้ต้องเจอของจริงก่อนต้องเจอของจริง โอเคครับอันนั้นก็เป็นะ น, น, นะครับนี้คําถามที่สามนะครับมันเป็นโจทย์ที่ผมตั้งขึ้นมาเองแล้วผมลองทำดูสักพักหนึ่งแล้วก็ผมจะเรียกมันว่าแบบฝึติกรรมสไตล์นะครับอย่างยกตัวอย่างเนี่ยวันนี้ผมต้องนั่งรถเดินทางมาสองชั่วโมงผมก็ตั้งใจในใจเลยว่านั่งรถมาได้ผมตายแน่เลยต้องมีอุบัเตุผมก็มานั่งระหว่างนั่งรถเนี่ยผมก็กรรมาฐานไปเฝ้าลมหายใจว่า ผมต้องเกลีความตายแน่เลยมันก็สงบไปก็มไม่ได้คิดอะไรนะครับว่าจะโก้วความตายหรืออะไรหรือแม้กระทั่นก่อนนอนผมก็ทำแบบเนี้ทุกคืนเลยว่าเนี่ยผมนอนไปผมหลับตายไนดะ้คืนเนี้ยแล้วผมก็พูดโทรพูดโทรไปเฝ้าดูลมหายใจเข้าออกอาณาเฝ้าตสติไปเรื่อยข้ามถนนผมก็จะคิดก่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวรถชนผมตายแนะ่เพื่อจะตั้งสตินะครับ เตรียมรับกับความตายก็รู้สึกเฉยเฉยกับอันนี้ถือว่าเป็นการกระทำหรือฝึกที่ต้องไหมครับอันนี้ก็ยังเป็นการทำงานบ้านอยู่ยังไม่ได้เจอข้อสอบอยากั้อสอ บ, รบจริงาลไม่เจ อ, ไ ม, เจอไม่เจอปนมันโจรมันบุกบ้านเราเอาปืนมาจ่อหัวเราเนี่ยถึงจะรู้ว่าเป็นยังไง ครับครัครับครับกอนนี้ก็ยังเป็นการบ้านการทการบ้านอยู่างนี้ไม่ได้เจอของจริงครับแต่ก็สมกวรที่จะทําใช่ไหมครับการบ้านต้องเตรียมตัวไว้ก่อนพอถึงเวลาจะได้ทําได้จะได้ทำข้อสอบได้อ๋อครับผมครับครับก็มีถามคําถามเนี่ยท่านั้นละครับที่ให้เราถามก็ต้องผมผมชอบทําแบบฝึกหัดดครับผมตอนนี้ก็สอผมก็สนุกตัวเพราะผมว่าผมพ้นชั้นอนุบาตแล้วครับขึ้นป .6 แล้วครับดครับทําไปเรื่อย ค Det รับนามสกัญชัดผมถึงทำไปที่คุณหมอสุทัศนีครับสุทัศนีประทุมทาเนแต่มาสการท่านพระอาจารย์เจ้าค่ะวันนี้ไม่มีคำสั่งครับโอเคไปที่คุณวีว่าคุณวีโก้ไม่ทราบชื่อเลยเชิญคกล่าวการกล่าวนั้มสการพระอาจารย์ อ่าเคยเข้ามาแล้วใช่ไหมค่ะเคยเข้ามาค่ะอยู่ที่ไหนนะอยู่ที่สุราษฎร์ค่ะอาจารย์สุราษฎร์โอเคมีอะไรมไหมวันนี้วันนี้เข้ามาอเชไปสักการณ์หน่อยครับโยมึงสูญเสียเมฆเมื่อวันที่สองอะคะอ่ะเออแล้วเป็นยังไงเศร้าไหมไม่เศร้าค่ะไม่เศร้าฝันก็ผ่านอะค่ะอาจารย์ดีไม่เศร้าโอเคไม่ทุกอย่างรับความจริงยอมรับความจริง ได้ใช่มันมันมันสู้สู้ได้สู้ได้มันไม่ไม่เศร้าเลยค่ะพระอาจารย์มันเห็นแม่เห็นแม่พ้นไปได้เราก็เป็นธรรมดามเกิดเ จ, จ, จ็บได้ค่ะโอ้แม่แม่ไม่ทุกข์อีกแล้วแม่ไม่เหนื่อยอีกแล้วคิดประมาณเนี้ค่ะพระอาจารย์อืย่างไรมีอะไรไหมหนูหนูมีปัญหาเข้าเรื่องปฏิบัตินิดหน่อยครัอาจารย์หนูเป็นคนที่เอนอน นอนน้อยไม่ได้อะครับอาจารย์มันห่วงมันเพียรมันร่างกายหนูมันอ่อนแอครับอาจารย์เราไม่ต้องการวอนก็นอนเท่าที่เราต้องการจะนอนไปก่อนช่วงนี้การปฏิบัติเรายังไม่มากหนูจะนอนช่วงสามทุ่มเครับอาจช่วงนี้ก็สี่ทุ่มแล้วหนูหนูห่วงมากแล้วหนูก็ต้องเหมือนมันมันมีอาการมึนในสมองมั้ง่ไหครับอาจารย์มันมันมันมันเป็นนิสัยมันเป็นแต่ถ้าเราปฏิบัติ ไปเรื่อยๆมันได้ผลมากขึ้นได้สมาธิมากขึ้นความห่วงอาจจะน้อยลงไปก็ได้ความอยากนอนเนี่นยข้ามผ่านตรงนี้ไม่ได้อะคะ่ะช่วงนี้งานที่จะนานศพหนูหนูไม่ไม่ค่อยได้นอนหนูได้ได้นอนแค่คืนหนึ่งสามชั่วโมงหนูพิยามากเลยเพราะช่วงกลางวันก็ต้องตอนรับแขกที่มาในงานด้วยก็มันก็เลยแย่นนามากไปตามความต้องการของร่างกายมันต้องการเนื้องก็ต้องทุกคนก็ต้องนอนไปค่ะพระอาจารย์ ค่ะไม่มีอะไรไม่มีอะไรมากค่ะแค่เข้ามาไม่ต้องกังวล น, นะนั่งนอนที่อันนี้ต้องนอนอี่ชั่วโมงบอกว่านอนไปก่อนถ้าเราปฏิบัติก้าวหน้านะมันอาจจะน้นน้อยลงได้โดยโดยตัวน้อยชงมันเองค่ะจะพยายามปฏิบัติอ่าอ่าสมาธิได้เยอะๆค่ะช่วงนี้มันหนุ่มมากเลยสมาธได้เยอะไม่ได้เยอะ ๆ, ๆอะคะ่ปะป้าจี๊ดก็ตั้งไว้ไว้ว่าหลังอาหารมือ้อละสิบนาทีอะค่ะให้ได้ทุกมื้อแล้วก็ ช่วงกลางช่วงว่างๆก็พยายามทําให้ได้ค่ะอาจารย์อตอนนี้ก็เลิกดู y ยูทูบพยายามดูให้น้อยลงเพราะว่ารู้สึกว่าดู youtube เยอะมันจะทําให้อิริศเราฟุ้งค่ะอาจารย์ใช่ไอ้สมองมันเาฟุ้งถ้าเราดูไอ้ u ูทูบดูไอ้อะไรที่มันนอกนอกกันจากการปฏิบัติอ่ะอาจารย์ใช่อย่าไปดูมันจะดีกว่าถ้าต้องการความสงบนะค่ะพระอาจารย์ค่ะขอบ ค, ะคะบคุณอาจารมากๆค่ะจ่าสาธุายาน น, นี่คุณหมอหน้าทวีตจุมะหาอธรอมอรมาครับาารครับกรรการพระอาจารย์ครับไปไงมาชาร์แบตเตอรี่ดีไหมดีครับดีมากเลยครับเพราะว่าดูแล้วก่อนไปก็ไปดูจิตมันวุ่นวายมากม <laughs> ก็เหมือนอยากออกตลอดเวลาก็อุมไม่ใครใดครับแต่ว่าออไปไปไปในที่สงบเราก็พยายาม เอาสติฉันน่าจะขาดสติครับแล้วความจริงก็เห ม, มือนกับมันไม่ยากแต่ว่ามันก็พอมันวุ่นวายก็เอาเข้ามายากเหนะมือน ก, <อ>กั น, นกแต่ว่าพอพาเป็นบเส้นผมบนภูเขานนั้คิดว่าไม่ยากพอทำง่ายน้อยมันยาะครับใช่ครับแต่ว่าพอพอไปอยู่ตรงนั้นก็ก็ผมก็เอ า, เอ า, เ, อ า, เ, อาเอาอยู่กับจิตให้อยู่ยปัจจุบันแล้วก็เอ่ออยู่กับตัวรู้แน่ไปครับมันก็มันก็สงบก็ก็ดีครับจริงก็เหมือนกับนิดหนึ่งแต่ว่าก็พอจะเอาเข้า แต่ว่าพอไปอ่าอยู่ตรงนั้นก็ที่ก็เอื้อครับแล้วก็สงบติครับเหมือนได้กลับบ้านไม่งั้นไ่งมันออกไปวุ่นวายเวลามีความอยากมีอะไรนี่มันมันบังคับยากอยู่เหมือนกันครับก็ต้องทําอยู่เรื่อยๆอย่างก็มาสั้งเดือนครั้งก็ยังได้ครับครับใช่ครับก็ออกมานี่ก็เริ่มบุญเหมือนเดิมก็เหมือนเหมือนพักๆมันจะได้ไม่ไม่บุญมากเงินไป ใช่ครับใช่ครับนะครับไม่งั้นก็เอดูมันง่ายๆแต่ว่าก็พอถึงเวลาก็เบ็ดต่ำใช่ครับต้องให้มันคล่องหมดนีะครับไมนได้มีคําถามอะไรไหมผมผมก็ไม่ไม่ไดไ้ไม่ไม่มีอะไรครับก<ช>็แล้วก็แลรวก็สักการะจักรครับก็แล้วที่คุณจอยพัทยาจอยกล่าวค่ะได้ยินหนูไหมค่ะได้ยินจ้ะ ค่ะไม่เช้าหรือไปใส่บาตรมาเออเป็นไงแต่ไม่ได้มาด้วยไม่ได้มาเขาอตอนนี้เขาต้องคุมคนงานตอนเช้าทุกวันเลยอตอนหกโมงก็ต้องออกไปหกโมงครึ่งก็ต้องออกไปเขาก็เลยไม่ได้ไปด้วยค่ะโอเคตอนนี้ลูกสาวคนที่อยู่ด้วยนี่อยู่ชา้นไหนนะม4ค่ะม4นะค่ะคนตอนไปอยู่ที่ไหนเชียงรายนะเชียงรายค่ะเชียงราย ยู่นม่ฟ้าหลวงค่ะที่เดียวกับรูปของพี่ป่าอะค่ะก็ส่วนตัวหนูก็เหมือนเดิมค่ะหนูก็เข้าพรนษาหนูก็นั่งสมาธิกับเดินจงกรมค่ะค่อยๆทำไปแล้วก็ดูครอบครัวไปด้วยค่ะเมือเดนะฮะค่ะแล้วเดี๋ยวว้างพูดหนูไปสบาลเหมือนเดิมค่ะโอเคจ้ะค่ะลาก่อนนะสวัสดีค่ะ โอเคคุณมาเล็ตเชนมาเล็ตแล้วมัตรการของหลวงพ่อก็ก็ก็ ก, ก็ก็ฟังหลวงพ่อแค่ฟังก็มันสงบครับชอบก็นี่วันพรบเห็นหลวงพ่อได้เป็นพราษ์แล้วแต่หลวงพ่อเป็นพระอาจารย์สุชาติเหมือนเดิมสหรับผมตั้งแต่วันแรกที่รู้จักมาสิกว่าปีบ คนเดิมแหละเพี่ยนแต่เปลีบบป่ยนชื่อให้ครับเออหลวงพ่อไม่ต้องไม่ต้องเข้ากรุงเทพใช่ไหมครับอะไรไม่อะไรเราเป็นไม่หล่ะไม่ต้องก็ก็กลัวเข้าไม่ถึงหลวงพ่อแล้วเพราะหลวงพ่อยศใหญ่แล้วแล้วนี่นะเข้ามาเนี่ยเข้ามาเหมือนเดิมมีได้เปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะเออหลวงเออการการทำํำ เออทคำที่จริงมันก็ตั้งใจจะปฏิบัติให้มากขึ้นก็หาเวลาอยู่ครับก็พิจารณาทุกวันเรื่องอะไร่ะโลกธรรมแปดก็พยายามพิจารณาเรื่องโลกธรรมแปดอยู่ครับผมก็มันไม่เห็นจุดสิ้นสุดของการทํามาหากินถ้า ม, มองในมุมนั้นก็ก็จะหาจุดสมดุลของตัวเองครับผมก็ให้ หา ก, กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็ได้หา ก, กินเพื่อให้ร่ำให้รวยให้เป็นใหญ่เป็นโต ก, กินเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเหมือนถ้า<ม>หา ก, กินด้วยการบินตบานนี่ไม่ได้หา ก, กินไม่ได้มาบินตาบานเพื่อจะได้เป็นนายกหรือเป็นอะไรตอนนี้หลวงพ่อไ ม, ไม่ไม่เดินบินตาบานแล้วใช่ไหมครับต่อเป็นจากต่อเป็นนี้ไปแล้วใช่ไหมครับหรือแค่ช่วงนี้ครับ คือวันไหนต้องเดินตลอดสายก็เดไม่ได้เดินแต่ถ้าวันไหนเดินแบบเดินไปแล้วพักขึ้นรถได้ก็อย่างเดินอ๋อครับวัน<อ>ธรรมดากนไม่มากก็ไม่ต้องเดินตลอดสายอยู่บางช่วงคนไม่มากก็ก็พักขึ้นหรดนั่งพักกันแล้วพออหายบจบ ก, ก็ลงมาเดินีไหมครับก็อ่านธรรมะหลวงพ่อขึ้นหน้าเฟซบุ๊กก็อ่านละเออก็อิ่มเอิบใจก็กดแชร์บ้างเหมือนกันก็น ก็ชอบมากเลยครับก็เดี๋ยวก็จะวันครบรอบหลวงตาร้อยสิบปีแล้วเหมือนกันก็ฟังคําสอนของท่านเหมือนเดิมครับก็เป็นอะไรอ่ะเข็มทิศมันไม่ใช่แค่เข็มทิศต่มันมันยิ่งกว่าเข็มทิศนะครับประมาณกี่ปีกี่นั้นใช่ครับเข็มทิศเป็นอย่างต้องมองแต่อันนี้มันอยู่ในใจว่าเราจะทําอะไรมันคอยเตือนสติมันไม่อยากทําบาปอะไรใดๆเลยมันแบบมันก็ฮีโร่ตะปาค์มากขึ้น <Okay. S 2> ก็ตั้งใจจะภาวนาให้มากขึ้นไปอีกได้โอเ ค, อเคสาธุนะใครที่คุณตุ้มตอบคุณตุมต้มว่าคุณตุ้ม T U M ใช่ไหมได้ยินไหมชื่ออะไรอารมณสศกาอาจารย์ครับชื่อชื่อตั้มครับตั้มตั้ม ค, ครับจากสกลนครครับอมีอะไรมั้ย อ่าผมอยากอ่าพอดีว่าผมก็พอปฏิบัติเบื้องต้นนะครับอาจารย์แต่คราวนี้พอดีว่าผมไม่ถนัดการนั่งสมาธิเอับผมเลยใช้การเดินจงกรมออกแล้วก็รู้สึกที่เท้าครับได้ท<ำ>ําื้อต้นก็ถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็เดินไปก่อนครับพอนั่งปุ<ม>๊บมันจะมีอาการาง่วงครับอาจารย์ง่วงครับง่วงมากนั่งสว่วนมนไปเลยเราก็ส่วนมนไปก่อนส่วนเองก็เคยต้องรอดอาหารเรา เรากินอาหารมากไปไมัปนก็อะไรง่วงอย่าไปนั่งตอนที่เราเพิ่งกินอาหารเสร็จ ใ, ใหม่ๆแต่แต่ว่าก่อนหนะ้าก็จะใช้การเดินก่อนครับถ้าเดินสักหนึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปนั่งแต่ก็ยังมีอาการง่วงอยู่เรา<บ>ต้องลด<บ><บ>อาหาใช่ไหมครับอใช่ถือสินแบตอย่า ก, กินหลังเที่ยงหมดไปแล้วจะช่วยได้มากอบคุาจารย์ลองทําดูนะอย่างวันพ่านี้เราถือสินแบตสักวันหนึ่ง เ okay, อาแค่อาทิตย์ละวันก่อนครับไม่ให้พระเจ้า <ผม S 1> ไม่พระุเจ้าไม่สอนเนะรื่องสิบแปดนะมีคนมีประโยชน์กับการภาวนาเราทำดูนะครับผมโอเคสาธุครับมมาท น, า น, นี่กเข้าไปที่บรรจุแล้วในคมถามใคุณจุอาจารย์คะมีสามคำถามค่ะ ค, คำถามที่หนึ่งจากคุณชัยพลค่ะสอบถามครับพระอาจารย์ถ้าเราแกล้งโกหกเด็กที่ดือ้อเด็กซนไม่ให้ซนหรือดือ้อจะผิดศีลไหมครับผิดแล้ว ก, ก็อาจจะเป็นเป็นการไม่ดีเพราะต่อไปเด็กมันจะไม่เชื่อเราเราจะเป็นคนนั้นเด็กเลี้ยงแกะไปเดี๋ยวมันจะคิดว่าเราหลอกเราอยู่แค่เนียยัยงคนอย่าพูดความจริงดีกว่าพูดความจริงไม่ได้ก็อย่าพูดดีกว่าคำถามต่อไปจากคุณแพ็กี้นอนค่ะ น้อมกราบในมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะขอโอกาสกราบเรียนดังนี้ค่ะขอคําอธิบายว่าติดดีและขอคําแนะนําในการประพฤติปฏิบัติตนเพื่อไม่ให้ติดดีกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะการยิงเด็ดดีมันก็ดีนะไม่ไม่เห็นจะน่ากลัวตรงไหนเลยเลยก็ติดชั่วยังไม่ติดชั่วติดดีโอเคไม่เป็นไรไม่ได้อะไรอย่าติดดีกระทั่งทําให้ตัวเราถือตัวว่าเราดีกว่าคนอื่นก็แล้วกัน มันยากนะทำดีเพื่อเพื่อเพื่อความดีไม่ใช่ทำดีเพื่อยกตัวเราไปข่มคนอื่นติดดีมันดีการการทำความดีมันดีมันมีคุณมีประโยชน์แต่อย่าเอาการทำความดีมายกยกตนเองไปข่มผู้อื่นว่าฉันดีกว่าเธอทำดังนี้เราก็ไม่เข้าใจความหมายของเขาว่าติดดีว่ามันไม่ดีตรงไหนเพราะ้นถ้าใครรู้ก็ลองลองมาเล่าให้ฟังเาว่าทำไมติดดีมันไม่ดี ติดบุหเี่ไม่ดีเติดชุลานะไม่ดีติดการทําบุญมันไม่ไม่ดีตรงไหนเป็นการทําความดีมไม่ดีตรงไหนมันดีนะลาา จ, จะไม่ลา จ, จะง้อนะไม่รู้แล้วก็จะไม่เข้าใจความหมายว่าติดดีแล้วไม่ดีมันไม่ดีตรงไหนนะโอเคมีคําถามใช่ไหมใช่คำถามสุดท้ายจากคุณเอนโรสค่ะขอโอกาสค่ะตั้งภาพแบ็กกราวด์มือถือเป็นรูปหลวงตามหาบัวตอนมรณภาพ ส่วน iPad ตั้งรูปพ่อตอนที่พ่อตายอยู่ในโลงศพเพื่อเตือนใจตัวเองแต่บางครั้งเวลาที่มองเห็นพ่อที่อยู่ในโลงเกิดโทสะขึ้นมาและบางครั้งเห็นหลวงตาตอนมรณภาพเกิดโทสะบ้างค่ะไม่ทราบว่าเพราะอะไรและต้องแก้ไขยอย่างไรขอบคุณค่ะเพราะจิตเรายังไม่สงบหรือไม่สงบตลอดเวลาบางเวลาก็สงบถ้าสงบมางแล้วก็จะเฉยเฉยเวลาที่จิตไม่สงบ ก็อาจจะเกิดโทสะไม่เกิดอะไรขึ้นมาได้การจะเห็นนั้นด้วยพิจารณาทางปัญญาที่มันเป็นของที่มันหนักหนักในบางทีต้องรอให้จิตสง บ, บก่านถึงจะพิจารณาได้ช่ะสุภาษณ์ใ น, นความตายถ้าจิตยังไม่สง บ, บนี่กิเลสมันจะต่อต้านมันจะทําให้เกิดมีอารมณ์มีความโกรธหรือความไม่พอใจขึ้นมาได้แล้วก็ต้องสั ง, สงเกตเอา บาทีเห็นสิ่งที่มันรุนแรงนี่ยมันถ้าใจไม่สงบพอมันจะได้มันจะดูเฉยเฉยไม่ได้มันจะเกิดอาการเศร้าเนื้ออาการหดหู่ขึ้นมาได้ก็อย่าไปดูมันถ้าดูแล้วมันหดหู่เนื้อกดก็อย่าไปดูมันมาทําใจให้สงบก่อนพูดโธรศพท์โทรศัพท์ก่อนอใจสงบแล้วก็ลองกลับไปดูใหม่โอเคนะครับตัวนี้คำถามก็หมดพอดีเวลาก็พอสมควร ก็ขอให้ท่านเจ้าน้ามองสิ่งที่ท่านได้หยิดได้ฝากไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในายิ่งยิ่งขึ้นไปเถอ